บทที่สามสิบห้าเอายังไงดีนั่นคือคําตอบที่เกิดขึ้นกับตนเองประพินยืนสดับตรับฟังสัมสาเนียงของป่าทมืนมืดแวดล้อมรอบตัวในขณะนี้ก็รู้สึกว่ามันจะเงียบงันอย่างมีเล่ห์ไหอยู่เช่นเดิมเขาค่อยๆเดินตรงมายังตําแหน่งที่ไฟฉายตกอยู่ชายเท้าวกวาดควานหาชั่วไม่นานก็สะดุดมันตกอยู่ใกล้เคียงกับซากของไอ้ผีดิบที่ขาดครึ่งตัวซึ่งนอนเป็นท่อนไม้อยู่ใต้ซอกโขดหินนั่นเอง ก้มลงคว้าขึ้นมาเปิดสวิตแล้วใายสองดูกับพื้นกระสุนจุดสี่ห้าแปดของเขาทั้งสองนัดที่ยิงด้านประเด็นตกอยู่ไปใกล้บริเวณนั่นเองเกิดจากการกระชากลูกเลื่อนของเขาเมื่อหยิบขึ้นมาพิจารณาดูกับไฟฉายก็เห็นด้วยอาการขนลูกว่าส่วนท้ายของจานกระสุนถูกเข็มแทงชนวนเจาะลงไปเป็นรอยลึกซึ่งการเจาะในลักษณะนั้นตามปกติแล้วลูกปืนจะไม่มีวันด้านโดยเด็ดค่ะ นอกจากจะเป็นรูปเก่าแก่หรือเสื่อมคุณภาพเขาเก็บกระสุนที่ไม่ยอมทํางานตามหน้าที่ของมันเข้ากระเป๋าเสื้อไว้บรรจุใหมายเพิ่มเติมไปอีกสองนัดในแม็กกาซีนและออกเดินสองไฟฉายเข้าไปยังตําแหน่งที่เห็นมันไตรในซอกในซากของขุนสุดแห่งนิตรานครเรนตัวรับหายเข้าไปเพียงแค่ขยับตัวออกไปได้สองสามก้าวห่างจากบริเวณแท่นหินนั้นเท่านั้นก็ได้ยินเสียงก้าวเดินสวบๆห่างไกลเป็นการพหนีออกไปอย่างรวดเร็ว แสดงว่าตลอดเวลา ย, ยังยืนซุ่มดูท่าทีหรือหาจังหวะอะไรอยู่แต่พอเห็นเขาเริ่มออกตามก็เพ่นทันทีแล้วก็ดูเหมือนจะไปหยุดรอเพื่อลอให้ตามไปอีกเป็นช่วงช่วงระยะระยะไปลาไฟฉายที่สอดออกไปไม่พบอะไรในป่ารกทึบมากเต็มไปด้วยซุ้มไม้และเถาวัลย์ลานใหญ่เคลื่อนตัวตามไปช้าๆอย่างระมัดระวังบัดนี้เขาเข้ามาอยู่ในดงทึบแล้วทางจากตําแหน่งแท่นหินที่ยืนที่ยืดนอนอยู่ประมาณสามสิบหลายัางดูท่าทีชั้นเชิงมันทุกขณะ ขอให้รู้แน่ชัดเอาไปเถิดว่าแท้ที่จริงเพจไยที่กําลังคุกคามเล่นงานอยู่ในขณะนี้เป็นผลมาจากเจ้านักบวชมันตรายแห่งนิทรานครมันเป็นศัตรูเก่าเขาก็พร้อมแล้วที่จะรับมือกับมันในทุกรูปแบบเพราะเคยชิงไหวชิงพริบฟาดฟันกันมาก่อนแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องพลั้นครึงจะดุ้งสะเทือนเหมือนสะดุ้งสะเทือนมันเลยครั้งนั้นมันอาศัยถ่ายทอดวิญญาณอยู่ในสองร่างคือร่างของนักบวชราชปุโรหิตของนิทรานคร มันเป็นซากเดิมของมันเองกับกับเสือโครงหินสีดํำสนิทซึ่งมีวิญญาณอันแรงฤทธิ์ของมันเข้าสิงเมื่อใดก็สามารถจะเคลื่อนไหวกลายเป็นสัตว์ ร, ร้ายได้ในทันทีด้วยอำนาจเวทมนตรีลับแต่ทั้งสองร่างนั้นก็ได้ถูกเข้าพรานย่อยยับเสื่อมสลายไปแล้วเพราะว่าในครั้งนี้โดยการบอกเล่าจากอรัญญาหนีผู้ครองขุนเขาวิญญาณอุบาทของมันไกลเข้าไปอยู่ในซากของนักรบขุนศึกจากสุสานนิทรานคร นำซากนั้นออกมาใช้ประโยชน์ในวัตถุ ป, ประสงค์ร้ายของมันด้วยแรงอาฆาตพยาบาทมิหนำยังไปชักจูงซากศพโบราณที่อาบยาวไว้ในสุสานแห่งนั้นออกมาใช้เป็นบริวารได้ซึ่งเขาก็ตระหนักดีอยู่แล้วว่าสุสานนั้นยังไม่ได้ถูกทำลายในครั้งนั้นอาจรวมตัวกันได้เป็นกองทัพเขาเล่นงา น, นาาคณะพักของเขาไม่ผิดอะไรกับเมื่อครั้งประจันบาลกันในปราสาทพันทุมวดีก็ได้ กองทัพผีดิบที่ถูกปลุกให้ขึ้นมาเพ่นพ่านอารวาสได้โดยกริยามนชั่วร้ายชนิดที่อาวุธธรรมดาไม่สามารถจะหยุดมันลงได้นอกจากวิธีน้ํายอกเอาน้ําบ่งยิ่งกว่านั้นยังช้างป่าอีกเป็นจํานวนนับโขงไม่ท้วนที่มันจะใช้อาคมที่เขาพอจะรู้อยู่บ้างว่าหัวใจโคชรฉาสเข้ากํากับแล้วอาศัยแรงงานจากสัตว์ใหญ่พลังมากเหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนตามปกติแล้วช้างป่าจะไม่มีเล่กลเพทุบายและจะ จ้องจองล้างจองผ่านมนุษย์เพียงนั้นแต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วม่งชัดโดยพฤติการว่าวิญญาณกาลีของนักบวชอุบาตนั้นเข้ามาเป็นตัวบงการควบคุมโครงช้างอยู่รุ่นในภาษาชาวบ้านที่เรียกว่าผีลงช้างเจ้าสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นก็เลยกลายเป็นช้างพิศดารไปและถ้าแม้ว่าจะถูกปืนล้มตายลงอันเป็นไปตามปกติธรรมดาของหลักชีววิทยาช้างที่ถูกทําลายวายวอด ลงแท้ที่จริงก็เป็นร่างกายของช้างป่าธรรมดานั่นเองแต่ต้องมาสังเวยชีวิตประจันหน้ากับลูกปืนเพราะถูกมนต์มืดดีบบังคับคงหาใช่ความประสงค์รู้เจตนาของพวกมันไม่เรื่องร้ายสยองกล้าวเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างไปรวมอยู่ที่มันไตรมหาอุบาทเพียงตนเดียวจอมพรานไตรตรองไรครวนไปทุกขณะที่ย่องกลิบตามเสียงที่แว่วมาสัมผัสสดเชิงล่อนั้น พยายามใช้ปัญญาและความรอบรู้ที่ร่ำเรียนมาในเรื่องสอยศาสตร์หมุนมืดเพื่อจะแทงให้ทะลุโปร่ปรงในปัญหาและเพื่อจะหาวิธีแก้สิ่งที่เขาหนักใจที่สุดยามนี้ก็คือเขาจะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของบุคคลในความดูแลถึง19ชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายในจ้างอเมริกันทั้ง4คนบุคคลเหล่านี้มาจากโลกสิวิไลโลกของวิทยาศาสตร์เคมี M e และฟิสิกส์ เป็นการยากสำหรับเขาเหลือกเกินที่จะอธิบายอะไรให้สแตนลี่คีดอิสซาเบลและคริสติน่าเข้าใจได้อย่างที่เขาเข้าใจถืนพูดออกไปตัวเองก็กลายเป็นคนบ้าเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าพลาดนิดเดียวก็ย่อมหมายถึงชีวิตและความพินาศของหมู่คณะมันไตรไม่จำเป็นจะต้องสกิดผิวเขาให้เป็นรอยด้วยซ้ำถ้าหากว่ามันสามารถจะทาให้ฝ่ายนายจ้างคนใดคนหนึ่งของเขาเสีชีวิตลงได้นั่นก็เป็นชัยชนะของมันแล้ว และมันก็จ้องอยู่เป้หลังและอัธบริขาในการนอนยังคงผูกยิ้งอยู่ที่เก่าลานใหญ่ในขณะนี้มีแต่เพียงไรเฟิลประจํามือและไฟฉายเท่านั้นที่ออกสะกดตามรอยด้วยหัวใจอันเดือดพล่านเมื่อเขาหยุดมันก็หยุดและเมื่อเขาออกเดินมันก็เดินต่อเสียงสวบสาบแรกลล่ากอยู่ในเงาบังของผงรกราดรอบตัวหนาวเย็นจับผิวกายละอองไอ้น้ําเกาะชื้นไปหมดแต่ภายในของจอมพรานในขณะนี้ ร้อนระอุแทบระเบิดเพ่งสายตาตามลำไฟฉายไปเบื้องหน้าไราเฟิลประทับอยู่ในท่าพร้อมแต่มันก็ฉลาดและรู้ทันพอที่จะไม่ให้โปร่ร่างกายส่วนใดออกมาให้เห็นเลยมันไกลระพินคำลามเรียกนามนั้นออกมาไอ้นักบวชอุบาททุสินไอ้ดวงวิ ญ, ญญาณที่จมนรลกหมกไหมไม่รู้ผุดรู้เกิดจะมีแต่ความชั่วร้ายบาปนะท่านแน่จริงก็ไม่ต้องเดินหนีอยู่อย่างนั้น เร่ออกมาเจอกันซึ่งซึ่งหน้าออกมามันไตรยังหัวเราะแฮบต่ำวังเวงแววออกมาจากพงรกภายในเงาเถาวันหนาทึบภาษาหนึ่งโต้ตอบมาแต่ดวงจิตของเขาสะดับเข้าใจพานตูอยู่นี่ตามตูมาเถิดหักสูแน่ใจว่าสูก็แก่กล้าลิตตูไม่หนีหรอกจะรอคอยสูอยู่ณที่อันควรแต่ไม่ใช่ณที่นี้จอมพรานยิ้มกล้านเตรียม ต่อเสียงเชิญชวนท้าทายนั้นป้ายแขนเสื้อขึ้นเช็ดละอองหมอกที่ชุ่มอยู่บนหน้าผากสืบเท้าต่อไปอย่างมั่นคงคุมสติแน่วแน่ปราศจากความวันไหวใดๆทั้งสิ้นคิดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นมุ่งที่จะติดตามทําลายร่างอมนุษย์ตนนั้นให้ได้เขาต้องการเด็ดมันออกเป็นชิ้นชิ้นด้วยกระสุนล่าช้างเพื่อที่จะไม่ให้มันนําร่างกายอันใหญ่โตมหึมานั้นมาใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไปส่วนภายหลังจากนั้นแล้วมันจะเลือกใช้ร่างอื่นอีกก็ค่อยว่ากันทีหลัง สำหรับร่างนี้เป็นร่างสมบูรณ์และมีขนาดใหญ่แข็งแรงหน้าเกรงอันตรายมากที่สุดเรากับยักษ์ปักลันสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องหาทางจัดการให้มันชำรุดย่อยยับลงเสียก่อนตามตูมาตามมาตูอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากสู่ข้างหน้านี่เองกระแสะเสียงลึกลับนั้นดังแววมาเป็นระยะระยะเป็นเสียงของมหาปุโรหิตผู้เรืองเวทแห่งนิทรานครซึ่งถลม ล่มแล้วอายุนับการไม่ได้แต่ตัวมันเองสิกลับไม่ยอมพุดยอมเกิดวนเวียนอยู่ด้วยดวงจิตอันกล้าแข็งไปด้วยเพลิงอาฆาตริศยาพิยาบาชนิดไม่มีวันดับตําเวนกันแต่ชาติไหนซึ่งผูกพันกันมาก่อนประพินเองก็ไม่อาจทราบได้ที่ช่วงชีวิตในการเกิดเป็นพรานไพรของเขาในชาตินี้ต้องเข้าไปอยู่ในข่ายเกี่ยวข้องกับมันเขาจนได้โดยการทําลายล้างอาถรรพ์ของมหาคัมภีร์มายาวิน ซึ่งปลดปล่อยวิญญาณอันตรมทุกทรมานของพันธุธุมบดีนางพญาผู้เลอโฉมให้หลุดรอดจากเนื้อมือของมันออกไปได้พันธุมวดีผู้เป็นยอดสเสน่หาของปุโรหิตมันตรโดยที่นางก็ไม่ได้สมัครใจจนเป็นเหตุให้เกิดมิสันยีขึ้นและทุกชีวิตของอาณาจักรนิทรานครก็จมอยู่ในคำสาบมาชั่วกับชั่วกันจวบจนกระทั่งโชคหรือเคราะห์ก็ตามบันดาลให้คนผู้มีนามว่า ประพินไพยวันนำคณะติดตามคนสาบศูนย์บุปปาฝาดงเข้ามาพบและแก้ไขอาถรรพ์เวทนั้นลงได้และนี่คือที่มาของความพยาบาทเคียดแค้นภาพในอดีตสมัยที่โรมรันต่อกรกับมันไตรในครั้งกระนั้นพูดเด่นอยู่ในสมองของเขาทุกระยะทุกตอนเป็นฉากๆไปเท้าทั้งสองก็ก้าวสะกดรอยไปเรื่อยๆจากลาไฟฉายเขสังเกตเห็นทิศทางการเคลื่อนไหวของมันทุกขณะ เพราะพุ่มพงมีรอยแหวกลู่เป็นทางและบางแห่งก็รอยก้อนหินเล็กๆพลิกเพราะถูกน้ำหนักตัวเหยียบนิ้นหนัซ้ำยังมีรอยหักกิ่งไม้ทำสัญญาณไว้ให้เสียอีกด้วยความเชื่อมั่นของเขาที่ทำให้กล้าออกติดตามในขณะนี้ก็คืออะไรก็ตามทีมันจะดักเล่นงานจะถูกหยุดไว้ได้อย่างทันท่วงทีแน่นอนถ้าเป็นสัตว์ร้ายมีเลือดเนื้อและชีวิต ก็ลูกปืนซึ่งสั่งได้อย่างเฉียบพลันถ้าวิญญาณร้ายพูดผีปีศาจก็มหาอาคมและของครั้งที่ติดตัวอยู่มันจะไม่มีวันสัมผัสแต่ต้องกายเข้าได้เลยดีเหมือนกันที่คืนนี้เขาได้มีโอกาสเผชิญหน้าและสะกดตามไอ้ผีดิบมันไตรให้ไปติดติดขณะนี้ถ้าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้มันเกิดขึ้นกับเขาเถิดจะให้มันป้วนเปี้ยนวนเวียนระเรียบทเคียงอยู่ใกล้ๆที่พักแรมและพักทั่วของเขาเลยประพินตัดสินใจเด็ดขาที่จะติดพันมันอย่างกระชั้นชิด ชนิดถนึดถึงไหนถึงกันเป็นอะไรก็เป็นกันแต่เขาก็ลืมเฉลียวใจคิดได้ยางสนิทลืมคิดในมุมกลับว่าขณะนี้เขาได้พระห่างแคมป์ที่พักออกมาไกลเท่าใดแล้วเขากำลังทอดทิ้งพักพวกทุกคนไว้เบื้องหลังประหนึ่งถูกจูงหรือชักนาให้ไกลออกไปทุกขณะภายในห้องนั้นภายในห้องนั้นยังปกคลุมไปด้วยบรรยากาศของความตื่นตระหนกและสับสน ร่างของหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราริศนอนหายใจแผ่วๆอยู่บนโซฟาพี่ชายใหญ่ประคองศีรษะวางไว้กับตักพี่ชายกลางเอาแอมโมเนียชุบสำลีแกวงไปมาอยู่ที่จมูกไงอัมพลพลากรเข้ามายืนจ้องตะลึงมองอยู่ใกล้ๆส่วนชายยันนั้นหันไปทางจดหมายที่หล่นอยู่กับพื้นห้องปราดเข้าไปก้มลงหยิบขึ้นมาอ่านทันทีระพินเขียนถึงน้อยว่ายังไงเสียงอนุชาร้องถามอ่ะ ชา ย, ยันคอแข็งตัดริมฝีบปากเบาๆไม่พูดอะไรทั้งสิ้นแต่ยื่นส่งจดหมายฉบับนั้นให้เพื่อนเงียบๆอนุชากระชากไปทันทีก้มลงอ่านอย่างรวดเร็วแล้วก็ซึมนิ่งไปเช่นเดียวกันผ่านจดหมายต่อไปให้พี่ชายใหญ่คุณชายเชษฐทาดูเหมือนจะเป็นคนเดียวภายในห้องนั้นที่ประ ง, งับอารมณ์ไว้ได้ดีที่สุดก็ อ, อ่านจดหมายข้อความอันไม่ยาวนักนั้นยังละเอียดทีถ่วนคุณอมพลคุณได้เห็นข้อความในจดหมายนี้แล้วยังพี่ชายใหญ่ต้องของตระกูลละสายตาขึ้นจากจดหมายนั้น เมื่ออ่านจบมองอย่างเคร่งขรึมไปทางผู้อำนวยการบริษัททรงสัตว์ป่าออกนอกประเทศซึ่งเป็นผู้ที่รู้ตื้นลึกหนาบางของกรณีมากที่สุดจดหมายฉบับนี้ปิดผนึกและจ่าหน้าถึงคุณหญิงโดยตรงครับผมเขาตอบแผ่วเบาปริยาเสื้องซึมคุณระพินฝากับผมไว้ในช้าของวันที่ออกเดินทางจากหนองน้ำแห้งขอสัญญาเกียรติยศจากผมว่า ผมจะมอบส่งจดหมายนี้ให้แกคุณหญิงก็ต่อเมื่อครบเจ็ดวันนับจากวันที่แกออกเดินทางไปแล้วผมไม่ทราบข้อความในจดหมายเพราะไม่อยู่ในฐานะที่จะเปิดอ่านได้มันเป็นจดหมายส่วนตัวชัยยันทลันปราดเข้าถึงตัวพออกอกกอทายวายไลฟ์คำรามออกมาฮืมคุณอัมพลนะคุณอัมพลถ้าหากไม่ใช่เพราะรับกินเขียนขอร้องไวในจดหมายนี้ล้วก็ ผมเตะคุณแน่ในกรณีที่คุณเย็บปากอยู่ได้ตั้งเจ็ดวันโดยไม่ทรงขา่ขาวอะไรเรื่องนี้ให้เรารู้เลยอํพลหน้าซีดจ้อยไม่พูดอะไรแม้แต่คําเดียวแล้วก่อนที่ชายยานหรืออนุชาจะเล่นงานอําพลเช่นไรต่อไปเชษฐาก็ยกมือขึ้นโบกอย่าไปว่าอะไรคุณอําพลเขาเลยไม่ใช่ความผิดของเขาหรอกเอา้าคุณอําพลลองอ่านจดหมายของรพินนี่ดูกล่าวจบเชษฐาก็ยื่นจดหมายให้ผู้อำนวยการไทยบายไลฟ์เอื้อมมืออันสั่นเขามารับจดหมายนั้น แยิลนในกระเป๋าเสื้อขึ้นมาสวมอ่านภายในห้องเงียบสงัดไปอีกครั้งอําพลพลากรเพิ่งมาถึงกรุงเทพเมื่อไม่เกินครึ่งชั่วโมงที่แล้วนี่เองเมื่อเขาก้าวเข้ามาในห้องรับแขกของวังวราริศหม่อมราชวงศ์ตามพี่น้องกับชายยันได้นั่งคอยอย่างกระซับกระซายอยู่แล้วเขาเพิ่งจะมีโอกาสได้เล่าเหตุการณ์เพียงคร่าวๆ เ, เ, เท่านั้นว่าระพินไพรวันไปไหนด้วยธุรกิจสําคัญอันใด แล้วก็รีบล้วงเอาจดหมายที่จ่าหน้าถึงดารินนําส่งให้เจ้าของเหตุการณ์มันจึงยังอยู่ในขายชุกและหุกจับต้นชนปลายกันยังไม่ได้ละเอียดนะจากฝ่ายที่รอรับฟังข่าวอยู่แล้วก็มาแทรกขึ้นด้วยการเป็นลมพับไปต่อหน้าต่อตาทุกคนของหม่อมราชวงศ์หญิงคนเด็กภายหลังจากอ่านจดหมายนั้นเมื่อทุกคนได้เห็นจดหมายซึ่งจริงอยู่เป็นข้อความเรียบๆปกติที่สุดแต่ทุกคนเข้าใจหายว่าแล้วนับประสาอะไรกับดารินวราริ ไม่มีปัญหาหล่อนช็อกแน่เพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่กระทันหันไม่คาดคิดฝันมาก่อนหัวใจของหล่อนไม่หยุดเต้นไปเสียแล้วรบรรพบุรที่สุดแล้วในข่าวที่ได้รับทราบราวกับฟ้าผานีิหม่อมราชวงศ์อนุชายื่นส่งสํารีชุบแอมโมเนียให้พี่ชายใหญ่ช่วยพยาบาลน้องสาวตัวเองนั่งไม่ติดแล้วลุกขึ้นสุบรีอัดไฟแดงว่าเดินพลรานไปรอบห้อง เดี๋ยวประเด๋ยวก็ชำเลืองสายตาขุ่นเกี่ยวไปทางในอัมพลสัทีหนึ่งทําไมติดพี่ชายใหญ่ขออกอกกอไทยวายไลฟ์ผู้อุตสาห์ขับรถมาไกลถึงแปดร้อยกว่ากิโลเมตรเพื่อนนาข่าวนี้มาบอกมีหวังเจ็บตัวแน่ชายยันเองบัดนี้ก็มาหยุดยืนเอามือคว่หลังมองทะลุหน้าต่างออกไปในความมืดเบื้องนอกอย่างปราศจากจุดหมายพยายามระงับอารมณ์ขีดสุดแทบไม่อยากจะมองหน้าในอัมพลอีกต่อไปก็คงมีเชืฐ้าผู้เดียวเท่านั้น ที่สุกุมเยือกเย็นที่สุดปฐมพยาบาลน้องสาวผู้หมดสติและคอยกระสิบขย่าเรียกไปพลางขณะเดียวกันมองหน้านอมพลสลับไปพลางนายอัมพลนั้นตกยืนฐานะกลัดกลุ่มลำบากใจขีดสุดเมื่ออ่านจดหมายจบเขาก็คลางออกมาเบาๆอย่างหน้าสมเพชว่าผมก็ไม่ทราบจะพูดยังไงถูกแล้วครับถ้าจะว่าเป็นความผิดของผมก็ยอมละสุดแต่ทุกท่านจะด่าว่าเช่นไร ผมยอมทุกอย่างคุณหญิงเป็นอย่างไรบ้างครับถ้ายัางไงแล้วผมคิดว่ารีบส่งโรงพยาบาลดีกว่าน้อยเป็นลมหมดสติไปชั่วขณะเท่านั้นคงไม่เป็นอะไรมากนักหรอกไห้นอนสักพักก็คงรู้สึกตัวกระพินจำเป็นจะต้องออกเดินทางไปในครั้งนี้ไม่ใช่ความผิดของคุณอัมพลหรอกแต่ถ้าจะมีความผิดอยู่บ้างก็ตรงที่เคร่งครัดกับคาสั่งของเขาเกินไป เก็บนิ่งอยู่ได้ตั้งเจ็ดวันโดยไม่ส่งข่าวให้พวกเรารู้เลยริงอยู่มันอาจเป็นเรื่องลับที่มีประเทศชาติเข้าไปเกี่ยวพันด้วยแต่มันก็น่าจะเป็นความลับสำหรับคนอื่นไม่ใช่คนที่เคยกอดคอร่วมเป็นร่วมตายกันมาแล้วอย่างพวกเราทุกคนที่นั่งกันอยู่ในห้องนี้คุณชายใหญ่พูดเบาในน้ำเสียงแต่หนักแน่นและมีความหมายในทุกประโยคที่กล่าวออกมาอำพโครงศีรษะอยู่ไปมา ทำหน้าเหมือนอยากจะร้องไห้เอาว่าผมสารภาพละครับไม่มีข้อโต้แย้งใดๆอีกทั้งสิ้นผมรู้อยู่อย่างเดียวเท่านั้นว่าผมจะต้องทําให้คุณรพินปลอดโปรงสบายใจที่สุดโดยรักษาวาจาสัตว์กับเขาไว้เพราะนั่นเป็นการขอร้องครั้งสุดท้ายของเขาผมเองก็กลุ้มจนบอกไม่ถูกแล้วนี่ถ้าคุณหญิงเธอรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งคงเอาผมตายแน่ คงไม่หรอกถึงอย่างไรน้อยก็เป็นคนมีเหตุผลแต่เขาก็มีเหตุผลเหมือนกันที่จะเสียใจในกรณีที่คุณใจดำกับเขามากเก็บเรื่องนี้เงียบไว้โดยไม่บอกเขาจนระพินเดินทางเข้าป่าไปแล้วถึงหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มถ้าน้อยรู้ที่แต่มเนิ่นๆกาอาจไม่ถึงกับช็อกก็ได้อําพลก้มหน้านิ่งนึกในใจว่ากูเอ้ยกูสวยชิบหายเลยคุณกลัวพวกเราจะขัดขวางรพินไว้ไม่ให้ไปทางานที่ น, นี่หรือ ถ้าคุณบอกเราจะตั้งแต่คุณรู้เรื่องนุณชาเอ่ยถามมาในขณะที่ยังเดินพารานอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับคุณชายกลางอัมพลตอบอ้อมแอมอย่างยุ่งยากใจขีดสุดเงือแตกซิกงานที่คุณรพินไปทำครั้งนี้เป็นงานลับสุดยอดของฝ่ายสายลับอเมริกันถ้าหากทางฝ่ายคุณชายรู้จะเข้าไปขัดขวางก็ดีหรือจะขอติดตามไปด้วยก็ดีทางพวกนั้นคงไม่ยอมให้เขาไปยุ่งเกี่ยวแน่ ด้วยแอนตรายมันก็จะเกิดขึ้นผมว่าอาจเกิดปะทะกันขึ้นแน่ๆอีกอย่างหนึ่งพวกนั้นก็ไม่ได้มาติดต่อคุณรพินตามลําพังหากจะติดต่อผ่านรัฐบาลของเรามาถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะลําบากยุ่งยากกันไปหมดเพราะรัฐบาลของเรารับรู้ในเรื่องนี้อยู่คุณรพินแกรู้ดีอยู่แล้วจึงขอร้องให้ผมท่วงเวลาไว้ก่อนโดยไม่ยอมให้แพร่งพลายออกไปจนกว่าแกจะเดินทางล่วงไปแล้วหนึ่งอาทิตย์ตลอดเวลาที่ผมเก็บความลับนี้ โดยไม่ได้รายงานให้ฝ่ายของคุณชายทราบผมเองก็กินไม่ได้นอนไม่หลับผมไม่มีทางเลือกยังอื่นเลยพัทงทั้งขึ้นทั้งล่องผมสาบานว่าผมไม่ได้เสนอชื่อคุณรพินเข้าไปในครั้งนี้ไม่รู้ไม่เห็นลวงหน้าทั้งสิ้นอยู่ไม่อยู่ทางกะลาผมก็เจาะตัวตรงเข้าไปทันทีโดยใช้ผมเป็นตัวกลางในการติดต่อซึ่งพอรู้ความผมก็บอกกับตัวเองว่าผมชิบหายแน่แล้วในครั้งนี้ ผมไม่อยากจะพูดอะไรมากหรอกคุณอัมพลนอกจากขอชมเชยว่าคุณเก็บรักษาความลับครั้งนี้ไว้ได้ดีมากชัยยันพูดออกมาห้าหวผู้คโดยไม่หันหน้ามามองและก็ขอบคุณด้วยที่หวังดีกับพวกเรากลัวว่าจะมีการประทะกับพวกซีไชุดที่มาให้ระพินนำทางหม่อมราชวงศ์อนุชาสวนมาอีกคนหนึ่งอัมพลคอตกพักพัชนาออกมาซับเหงือ่อเสียงเชิดท้าบอกกับเพื่อนและน้องชายมาว่าขอร้องอีกครั้งทั้งสองคนนั่นแหละแต่ว่าอะไรคุณอัมพลอีกเลย ฉันก็เชื่อว่าเขาคงเป็นห่วงและกลัดกรุ่มในเรื่องนี้ไม่น้อยไปกว่าเราเหมือนกันเอาเรามานั่งตรงนี้ค่อยๆ ห, หารือกันดีกว่ามัวแต่ซัดคุณอณัมพลโครมๆจนแก้ตัวไม่ติดแบบนี้เราก็ยังไม่ได้รายละเอียดอะไรเลยชัยยันและอนุชาเดินกลับเข้ามานั่งร่วมโต๊ะตามเดิมคุณชายกลางรินบรั่นดีเกือบเต็มแก้วแล้วดื่มอักอักรอกับน้ำชาเพื่อระงับความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกชัยยันนั้นโลูบมือเข้าหากันหัวเราะหึ่พึมพำว่าให้ตายเธอวันนี้ ฉันดีใจที่สุดได้ลูกผู้ชายสมใจและชื่อพลายวันอย่างที่เจตนาไว้แล้วน้อยเองก็เป็นคนทําคลอดให้ตามสัญญาและเป็นคนเรียกชื่อเด็กเป็นคนแรกเจ้าพลายวันจูเนียปานนี้คงนอนอยู่ในอกแม่คงไม่รู้หรอกว่าไพลายวันซีเนียปานนี้ไปเป็นพระรามเดินดงอยู่ที่ไหนนี่เมยยังไม่รู้นะถ้ารู้ฉันว่าเขาคงจะเต้นลงจากเตียงไม่ทันเหมือนกันเออมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมาก่อนเหมือนฟ้าผ่าโดยไม่มีฝน เช็ถามไม่สนใจกับเพื่อนและน้องชายที่บนอะไรงืมงำฟังไม่ได้สับแต่มองนิ่งไปยังนามพลถามเป็นงานเป็นการว่าคุณเอาพินัยกรรมของกระพินตามที่เขาบอกไว้ในจดหมายมาด้วยหรือเปล่าพอออกออกอบริษัทไทยวายไลฟ์ไม่กล่าวอะไรทั้งสิน้นเปิดกระเป๋าเอกสารซึ่งเตรียมมาด้วยและขณะนี้ยังวางอยู่บนโต๊ะมาเปิดออกหยิบเอาซองสีน้ําตาลขนาดเกลืองลักษณะเหมือนๆกันทั้งสี่ซองออกมาทุกคนเหลือบดู แต่ยังไม่มีใครมีกระจิตกระใจที่จะเปิดออกอ่านเพราะมีเรื่องอื่นที่เป็นกังวลหนักสมองมากกว่าทำไมมันมากมายถึงสี่ซองอย่างนั้นหงอมราชวงอนุชาถามคู่หนึ่งเป็นของคุณระพินครับอีกคู่หนึ่งเป็นของพวกพรานและลูกหาบทั้งหลายตามที่ผมได้เรียนแล้วว่าคุณระพินฝากหม้อพินัยกรรมเหล่านี้ไว้ที่ธนาคารชุดหนึ่งที่ผมชุดหนึ่งและที่คุณชายเชษฐาอีกชุดหนึ่งสําหรับของผมที่คุณระพินฝากไว้นั้นผมก็เอามาด้วย และเขาถือโอกาสฝากมอบไว้ให้ที่คุณชายเสยีเลยโรดตรวจ ด, ดูด้วยว่าข้อความตรงกันระหว่างที่คุณชายใหญ่ยังมองซองพินัยกรรเหล่านั้นอึ้งอยู่เสียงช ย, ยันพึมออกมาว่าในที่สุดเมื่อคับขันเข้าตาจนจริงๆรพินก็ยังนึกถึงแกและหวังแก่เป็นที่พึ่งครั้งสุดท้ายเทธาประพินเป็นคนอาพับไรญาติขาดมิดเขามีแต่พวกเราสี่ห้าคนที่เคยได้ร่วมเป็นร่วมตายกับเขามาแล้วนี่เท่านั้น ที่จะนึกถึงได้เมื่อถึงคราวจำเป็นฉันตื่นตันไปหมดแล้วพูดอะไรไม่ถูกเลยกล่าวจบชัยยันก็โครงศีรษะช้าๆอย่างเศร้าใจที่นายกรรมที่เชษถาเอ่ยถามถึงและนายอัมพลนำขึ้นมาวางไว้ตรงหน้าขณะ น, นี้ไม่มีใครสนใจเลยบุญคำจันเกิดเสยลูกน้องร่วมตายของเขาทั้งสี่คนนั่นไปด้วยใช่ไหมที่ใหญ่ของราชกุลเวลาริถามครับคุณระพินขาเจ้าสี่คนนั่นไม่ได้หรอก ถึงไม่เอามันไปพวกมันก็ไม่ยอมทิ้งเจ้านายเป็นนันค่ะนอกจากนั้นก็เป็นพวกลูกค่ะซึ่งเป็นพลานพื้นเมืองมือดีอยู่ในเขตหนองน้ําแห้งลูกบ้านของคุณรพินที่คัดแล้วอีกสิบคนรวมเป็นสิบห้าคนของฝ่ายคุณรพินแล้วฝ่ายอเมริกันสองคู่สี่คนครับรวมกับนายทหารหนุ่มไทยยศพันตรีอันเป็นผู้แทนของกลาโฮมไปอีกด้วยคนนึงเป็นฝ่ายพวกนายจ้างห้าคนอเมริกันสองคู่สี่คน ชา ย, ยันร้องเสียงสูงเร็วปรือดจ้องหน้าเนมผลแปลว่ามีผู้หญิงไปด้วยครับผู้หญิงสองผู้ชายสองรายละเอียดผมจะให้ได้มากกว่านี้รวมทั้งรูปถ่ายของแต่ละคนที่ผมแอบถ่ายไว้แล้วแต่ก่อนอื่นอําพลบุยปากไปทางหม่อมราชวงศ์สาวที่ยังนอนแน่นิ่งหายใจรวรวๆอยู่บนตักพี่ชายใหญ่กรุณาอย่าเพิ่งซักถามอะไรกันละเอียดเดี๋ยวนี้เลยครับคุณหญิงหมดสติไปหลายนาทีแล้วขณะนี้เธอยังไม่รู้สึกตัวเลย ช่วยคุณหญิงให้ฟื้นขึ้นมาซสกกรดีกว่าทุกคนเห็นด้วยระงับกันตอบซักไตาถามนายมพลลงชั่วขณะอันมาสนใจกับดารินอีกครั้งและขณะนั้นเองระวังที่ทั้งชัยยันและอนุชาเข้ามามุงล้อมอีกครั้งทุกคนภายในห้องนั้นก็สะดุ้งสุดตัวไม่ได้ยินเสียงร้องแหลมของดารินล่ําลำรักขึ้นกล้องไปทั้งห้องระพีมยายาตามันไปมันกําลังล่อคุณไปสู่ภัยพิบัติ แงซายช่วยเขาด้วยเร็วดวงตาของหล่อนยังปิดสนิทแต่ปากก็คงร้องเกือกกล้องอยู่เช่นนั้นและสุดท้ายด้วยเสียงร้องวีดอีกครั้งทุกคนขนลุกสู้ขึ้นพร้อมกันด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกเชิดขาเกอศีรษะน้องสาวไว้แน่นส่วนอนุชาเขย่าที่ลำตัวพร้อมกับตะโกนเรียกชื่อน้องสาวสุดเสียงดาลินยังไม่ได้สติจะเคลื่อนไหวดิ้นรนอย่างรุนแรงเหมือนผีเข้า ป๋าก็ตะโกนซ้ําๆอยู่ว่าอย่าตามมันไปหยุดอันตรายเราอยู่ข้างหน้าเอถ้าจะไม่ดีเสียแล้วล่ะครับโทรเรียกรถพยาบาลดีกว่าแอมพลร้องล่านออกมาชัยยันเพนพ ร, รวดไปที่โทรศัพท์จะเสียงเชื่อถาตะโกนบอกมาว่าไม่ต้องชัยยันไม่ต้องเรียกรถพยาบาลอะไรทั้งนั้นแกกับอนุชามาช่วยกันจับตัวน้อยไว้อย่ายามเรียกชื่ออย่าให้เขาดิ้นกดตัวไว้ฉันจะจัดการเองชัยยันเพนเข้ามานั่งแทนที่คุณชายใหญ่ ใช้วงแขนกอดรัดรอบศีษะดารินไว้ในขณะที่อนุชากดตัวไว้ไม่ให้ดิน้นเชิดาเพนหายขึ้นไปข้างบน จ, จุดใจเดียวก็วิ่งกลับลงมาพร้อมกับทูบพ่อใหญ่วิ่งพรวดออกไปกลางสนามหญ้าทุกคนไม่เข้าใจว่าเชิดาจะทําอะไรแนมพลคนเดียวที่ยืนพะวะาพวังเงอ ง, งะอยู่โดยไม่มีหน้าที่อะไรจึงแล่นตามคุณชายเชิดาออกไปด้วยก็เห็นพี่ยายใหญ่แห่งก็เห็นพี่ชายใหญ่แห่งราชสกุลฉีขอทูบออกอย่างรวดเร็วนับได้สิบดอกจุดด้วยไลเตอร์ติดกัน ขึ้นทั้งหมดดอกหนึ่งวิ่งออกไปปักไว้ที่สารพระภูมิส่วนอีกดอกหันหน้าไปทางทิศเหนือสุดกายคุกเข่าลงกับพื้นสนามหญ้าจบทูบขึ้นเหนือศีสะและลึกถึงมหาฤาษีโกทัญญาแห่งเทือกเขานินกาลขออานาจบา ร, รมีของอรหันต์องค์ที่เคยเกื้อกูลปราณีคณะเดินทางทั้งหมดมาก่อนแล้วขอให้มาช่วยขจัดปัดเป่าเพศไทยและป้องกันคุ้มครองน้องสาวผู้เพ้อไม่ได้สติอยู่ในขณะนี้และปักทูบลงกับพื้นดินก้มลงกราบสามครั้ง อากาศอันเยียบเย็นกลางสนามหญ้าใหญ่หน้าคลึ่หาดลมก็หยุดชะงักการพัดในบัตรนั้นควันทูปม้วนตัวขึ้นเป็นเกลียวและบัตรใจเดียวก็สําสแดงเป็นผ้าประหลาด่ามกลางความมืดต่อหน้าเชษฐาและในอัมพลผู้พลอยนั่งคุกเข่าลงด้วยโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าเชษฐากระทําพิธีบูชาอะไรภาพน้ํารวมตัวกันด้วยกลุ่มควันทูปมีสันฐานสูงประมาณหนึ่งศอกเป็นรูปนะักบวชฝายอรัญยุวสีผู้ทรงศีลพิสุทธ ในท่านั่งสมาธิอยู่ในยานอันเป็นนิลันการนั่นคือสิ่งที่นายอมพลพอจะกําหนดสัญฐานได้แต่สําหรับเชิฐถาแลเห็นได้ชัดเจนที่สุดดำในโสดประสาทส่วนลึกหรือมิฉะนั้นก็โดยทางจิตแ ว, วเสียงของอรหันต์องค์นั้นดังเช่มช้าเยือกเย็นมาว่าเมื่อเท่าทูกที่เจ้าจุดบูชาเรานี้ร่วงลงสูงแม่พระธรณีเป็นก้อนแรกจงนําเอาเท่านั้นไปเจิมที่อุณาลมของน้องสาวเจ้าและภาวนาหัวใจพระเจ้าทั้งห้าพระองค์ถอยหลังเมื่อ น, นั้นนางจะกลับฟื้นคืนสติมาเช่นเดิม จะไม่มีอาการผีซ้ำดัำ้มพลอยไดๆอีกทั้งสิ้นเพราะความสวัสดีจงมีแก่เจ้าและทุกคนที่ยังะระลึกถึงเราอยู่สาธุสาธุพระคุณเจ้าเชิดขาพึงพามออกไปขณะที่ร่างกายดูเหมือนจะขยายพองขึ้นโลมาทุกเส้นลุกตั้งฉันแล้วก้มลงกราบอีกครั้งโดยที่นายอัมพลก็ยังคงไม่เข้าใจอะไรอยู่เช่นเดิมเพราะเขาไม่ได้ยินอะไรเลยได้ยินเฉพาะเสียงสาธุพระคุณเจ้าของเชิดขาอยู่คนเดียวพร้อมการเห็นคุณชายกราบอีกครั้งในห้องรับแขกใหญ่ของเขาเรืงหาเวาลาฤทธิ์ยังโอมานอยู่เช่นนั้น เสียงดารินอยู่กรีดกรีดเสียงตะโกนเรียกชื่อของอนุชาและชัยยันแล่ออกมาถึงสนามหญ้าที่เชษฐานั่งพนมมือสะกดใจรอคอยเท่าทูปก้อนแรกอยู่โดยมีแนมพลนั่งคุกเขาเยื้องไปด้านหลังแต่ก็ไม่กล้าเอ่ยถามอะไรทั้งสิ้นนอกจากอาการกระสับกระส่ายวันทูปลักษณะประหลาดนั้นสลายตัวลอยสูงขึ้นเป็นทางเพียงแค่ไม่ถึงสองนาทีเท่านั้นแห่งการรอคอยเท้าทูก้อนแรกก็ล่วงพลอยลงกับพื้นหญ้า เชิฐานะล่ำแลรักบอกให้ในายอมพลขีดไลเตอร์ส่องให้ไม่เห็นถนัดว่ามันประดิษฐานอยู่บนยอดหญ้าก็บรรจงเขี่ยลงมาไว้ในฟามือแล้วถลันลุกขึ้นเร็วตามผมมาคุณอัมพลเชิดฐาร้องบอกแค่นั้นแล้วแล่นกลับเข้าไปในห้องรับแขกอย่างรวดเร็วพ อ, อกอรทายวายไลฟ์พ่อตามพงกระเพื่อมเข้ามาด้วยพอถึงพี่ชายใหญ่ก็ตรงเข้าไปทางด้านศีรษะน้องสาวผู้กําลังหลับตาดิ้นกระสับกระส่ายอยู่ทันทีจบเท่าทุบขึ้นเนื้อชิษะ แล้วชานิ้วชี้ละเลงเข้าในฝ่ามือนั้นแตะขยี้ลงไปบนหน้าผะเหนือว่างคิ้วของดารินพร้อมกับภาวนายะธาพุทโะยะธาพุทโมนะอยู่ในใจแล้วเป่าพรวดลงไปกลางกระหม่อมของน้องสาวดารินวราริสยุติการดิ้นรนและส่งเสียงร้องกระสับกระสายลงใน ท, ทันทีสนิทนิ่งในบัดนั้นเขาหน้าอันบิดเบี้ยวเขาหน้าอันบิดเบี้ยวผิดรูปเหมือนจะได้รับความเจ็บปวดสุดขีด คลายลงสู่สภาพปกติลมหายใจเริ่มลึกและแรงเป็นจังหวะสม่ำเสมอขึ้นพี่ใหญนั่นพี่ใหญ่ทำอะไรนะ่ะอนุชาตะลึงมองหน้าพี่ชายอย่างประหลาดใจขีดเจตฐาแตะริมผิวปากไว้เป็นสัญญาณให้ทุกคนสงบนิ่งแล้วเอื้อมมือมาจับข้อมือน้องสาวคลำชีพจรเขาก็รู้สึกได้ทันทีว่าอาัตราเต้นซึ่งเมื่อครู่นี้เร่งทีกว่าร้อยของดารินค่อยๆลดกลัมลงเป็นลําดับจนกระทั่งกลายเป็น8ปดครั้งต่อนอาที และร่างกายที่ร้อนแผลเรากับจับไข้หนักบัดนี้เย็นลงก่อนที่ใครจะเ อ, อ่ยอะไรออกมานั่นเองดาวเรนก็ขยับตัวเบาๆยกมือทั้งสองขึ้นช้าๆพนมจดอกมีเสียงแผ่วเบาดังรอดริมฝี ป, ปากขมุกขมิบออกมาว่าพระคุณเจ้าโกธัญญมุนีช่วยลูกและช่วยเขาด้วยเถิดทั้งหมดที่แวดล้อมอยู่รอบกายหันมามองหน้ากันอีกครั้งอย่างงุนงงยกเว้นเชษฐาคนเดียวที่ถอนใจย า, ยยาวเยือกก้มลงกระซิบข้างหูน้องสาวน้อยรู้สึกตัวแล้วยังน้อย เบล์ตาที่ปิดสนิทอยู่ของดาลินค่อยๆเผย่ขึ้นทีละน้อยแล้วก็ลืมสว่างโพรงเหลือบตามองหน้าคนโน้นทีคนนี้ทีเท่าที่แว่นร้อมมุงรอบกายหล่อนอยู่ฉันฉันเป็นอะไรไปนั่นเป็นประโยคแรกที่หลุดป่าออกมาแหบๆแสดงถึงสติสัมปชัญญะกลับคืนมาเป็นวาระแรกพร้อมกันหลอนก็พ ง, งะ <c oughs> กายขึ้นนั่งเชืาและอนุชากช่วยประคองขึ้นมาน้องสาวคนแรกมีอาการมึนงงมงมองไปรอบๆเหมือนจะทบทวนความทรงจําอยู่เช่นนั้น เกิดอะไรขึ้นนี่ฉันเป็นอะไรไปเสียงของหล่อนดันดังสั่นเครือน้อยเธอเป็นลมหมดสติไปพักใหญ่นะตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี่ชายกลางจับมือไว้พูดอ่อนโยนจ้องหน้าขม็งมาจ่ารินยกมือขึ้นกลุมขมับและสะบัดหน้าแรงๆขยับจะลุกขึ้นเอกสามคนกดไหลไว้เสียงชายยันบอกมาว่าอย่าเพิ่งยืนน้อยนั่งพักก่อนเถอะราชสกุลสาวก็ชะงักอยู่แค่นั้นหมอมราชวงศ์อนุชาโดดไปที่โต๊ะกลางรินบรัรดีมาส่งประคองให้ บอกให้ดื่มดารินยกลึ้นจิบแล้วหลับตาลงอีกครั้งฉันเป็นอะไรไปนี่ก่อนจะลืมตามาเห็นพวกเราทุกคนนี่ฉันรู้สึกว่าฉันกําลังวิ่งอยู่กลางป่าป่าลึกกันดา น, น่าสะพรึงกลัวที่สุดเป็นเวลากลางคืนเสียด้วยโอ้ยมันน่ากลัวอะไรเช่นนั้นผ่นพูดออกมาเสียงเครือสั่นห่อกายลงอย่างสยดสิวเชิดถาโอปลายกอดไว้แน่นเอาละ่ะพี่และพวกเราทุกคนจะฟังเล่าต่อไปสิน้อยน้อเห็นอะไรน้อยเห็นละพินค่ะ ลพินเดินถือไลฟฟนอยู่คนเดียวกําลังแวกป่ารกตามอะไรชนิดหนึ่งมันเป็นภาพที่น่ากลัวเหลือประมาณไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่มนุษย์แต่มันเป็นมอนสเตอร์ลักษณะเหมือนมัมมี่ที่เราเคยประสบพบเห็นมาแล้วในประสาทพันธุ์มวดีแต่ตัวมันใหญ่เหลือเกินแล้วยังไงชา ย, ยันถามเอามืออีกข้างลูบแทนตัวเองขยี้แรงๆฉันรู้สึกตัวว่าฉันกําลังวิ่งตามไล่หลังเข้าไปร้อมทั้งร้องตะโกนเรียกให้เขาหยุดแต่เขาก็ไม่ได้ยินเสียงของฉันเลยเพราะคงเดินตามมันไปเรื่อยๆเช่นนั้น รอบด้านเป็นความมืดน่าสยดสยองที่สุดฉันวิ่งล้มลุกลุกคลานตามเข้าไม่ทันแต่ก็เห็นเหตุการณ์อยู่ข้างหน้าไม่ห่างนักมันกําลังล่อเขาให้ตามขึ้นไปบนไหล่เขาตอนหนึ่งเต็ไมไปด้วยหูเหวท่านใดนั้นฉันก็เห็นแง่ส า, ายโผล่มาจะเงามือตอนหนึ่งไม่ยอมพูดอะไรกับฉันทั้งสิน้นเพียงแต่มองดูฉันแล้วก็ยิ้มอยู่เฉยๆเป็นภาพของแง่ส า, ายสมัยที่ยังเป็นลูกหับของเราในครั้งนั้นแหละฉันตะโกนให้เขาช่วยให้เขาติดตามระพินไปแต่แ ง, ง่ส า, ายก็ยังยืนเฉยเพียงแต่มองตามหลังระพินไไปปเเท่่าาานนนัั้้ฉวิงตมขอีก มีเสียงเท่าไหร่ก็ตะโกนเรียกเขาออกไปหมดแต่เขาคงไม่ได้ยินหรือไม่สนใจอยู่อย่างนั้นในที่สุดฉันก็สะดุดรากไม้ล้มลงประพินหายไปในความมืดขณะที่ฉันเหนยหน้าตะเกตตะกายจะลุกขึ้นฉันก็มองเห็นพระคุณเจ้ามหาฤาษีโกทัญะแห่งภูเขานินการมายืนดักอยู่ตรงหน้าลัศมีจากเรือนกายของท่านอารามสว่างเป็นสีทองท่านยกมือข้างหนึ่งในลักษณะประธานพรและบอกกับฉันว่าให้ฉันกลับเสเถิดเนตตามเขาไปเลยฉันกราบว่า้ขอให้ท่านช่วยระพินด้วยจากอันตรายที่เห็นอยู่ซึ่ ง, งหน้า แต่ท่านก็ไม่ยอมพูดอะไรอีกเพียงจะบอกให้ฉันกลับเท่านั้นแล้วฉันก็ลืมตาขึ้นมาพบกับทุกคนที่แวดล้อมฉันอยู่ในห้องนี้ขณะนี้ดา ร, รารินวาริตเล่าอย่างเร็วรหรือมีอาการเหนื่อยหอบหน่ายัางข่าวซีดอยูเช่นนั้นเชษฐาอนุชาและอัมพลมองตากันอีกครั้งด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกนี่เป็นนิมิต ท, ที่ไม่ค่อยจะเข้าท่าเลยขณะที่น้อยหมดสติอยู่ชัยยันกระซิบกับอนุชาระว่างที่ดารินคว้าถ้วยบรันดีไปดื่มอีกครั้งเชษฐาฝืนยิ้มให้ดูเป็นปกติธรรมดาที่สุดกล่าวปลอบโยนน้องสาวว่า น้อยฝันร้ายไปน่ะฝันในขณะที่เป็นลมหมดสติพี่กับพวกเราช่วยกันประทมพยาบาลน้อยอยู่พักใหญ่ทีเดียวว่าน้อยจะรู้สึกตัวขึ้นมาแต่น้อยมองเห็นค้ามองเห็นจริงๆเห็นระพินเขากําลังอยู่ในระหว่างอันตรายที่ใดที่หนึ่งในป่าเปรี่ยวและมืดมิด่อนพูดออกมาได้แค่นั้นก็ยกมือขึ้นปิดหน้าร้องไห้ออกมาดังๆพูดทั้งร้องไห้วะ่ะนี่หรือวันเกิดของฉันนี่หรอคือของขวัญวันเกิดของฉันวันนี้ ทุกคนภายในห้องอึ้งไปหมดตื้นตันคอหอยเชิดถาอนุชาและชา ย, ยันช่วยกันผู้ปลอบโยนรายสกุลสาวอยู่เป็นเวลานอนนานหล่อนอยังไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเอาแต่ร้องไห้สึกสะอื้นเช่นนั้นเงำพลเหงือกแตกคลักเอามือตบหน้าผากตัวเองแล้วกระแทกกายลงไปบนโซฟาจัดการรินบรันดีให้ตัวเองดื่มเสียหลายอึกว่าจ ะ, ะสำรวมสติอารมณ์กลับคืนมาเป็นตัวของตัวเองได้อีกครั้งก็กินเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงต่อมาปัดนี้ดารินวราริทนั่งยืดตัวตรงอยู่บนโซฟาในจานมือรอยอย่างปราศจากจุดหมายจับไปที่ผนังห้อง ทุกคนจับดูอาการของราชสกุลสาวผู้ตกอยู่ในภาวะเสียขวัญสุดขีดอย่างเตรียมพร้อมระมัดระวังเพราะไม่แน่ใจว่าหล่อนจะเกิดอาการอันใดขึ้นมาอีกต่อมาทุกคนก็เห็นดารินยืนขึ้นยืดกายอย่างเป็นสง่าริมฝีปากนั้นมีรอยยิ้มอย่างแร้นแค้นเจ็บปวดโถมันัดเดินไปที่โต๊ะหยิบบุหรี่ขึ้นมาตัวหนึ่งจุดสูบได้อาการเยิ้มเยือกเย็นที่สุดยืนหันหลังให้แก่ทุกคนและเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแผ่วต่ำว่าคุณอัมพลผู้อนวการบริษัทส่งสัตว์ออกนอกประเทศแทบผวาครับผม นอกจากจดหมายฉบับนั้นแล้วเขาสั่งความอะไรถึงฉันบ้างอีกไหมอัมพลลิพิปากสั่นเชื่อถ่ารูปหลังอย่างปลอบใจแล้วกระซิบบอกน้อยไปตามตรงเธอไหนๆเรื่องมันก็ผ่านมาแบบนี้แล้วไม่ต้องกลัวหรอกตอนนี้น้อยมีสติครบถ้วนแล้วแล้วเขาก็เป็นคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬานักสู้คนหนึ่งคงไม่กล่าวหาเรื่องงานอะไรคุณนักหรอกถ้ายังไงแล้วก็คุณชายใหญ่กับคุณชายกลางช่วยผมด้วยนะครับผมกลัวคุณหญิงยิงผมอัมพลกระซิบแทบไม่มีเสียงเอิญนะ รับรองว่าน้อยไม่ทําอะไรคุณหรอกมีแต่ผมกับชายยันเท่านั้นที่อยากจะเตะคุณแต่ตอนนี้ไม่ได้คิดอย่างนั้นอีกแล้วข้อที่จะลบล้างความผิดของคุณได้ก็มีอยู่หนทางเดียวเท่านั้นคือให้ความจริงและรายละเอียดแก่พวกเราทั้งหมดอนุชากระซิบตําๆมาอีกคนรูดวัยสูงอายุซึ่งเปรียบเสมือนข้าเตา่าข่าเก่าเต่าเลี้ยงของราชสกุลกลาลิศไล่ไล่ความฝืดลงอกด้วยอาการกระแอมไอและบอกอ่อยๆว่า ประโยคสุดท้ายที่คุณพินสั่งผมถึงคุณหญิงก่อนหน้าออกเดินทางก็คือกรุณาอย่าได้คิดติดตามแกไปเลยครับและแกจะพยายามกลับมาให้ได้โดยมิได้หันกลับมาเลยในท่า ย, ยืนเด่นตัวตรงแนตตัวตรงแนวอยู่เช่นนั้นเสียงดาเรนพูดเนิบช้ามาว่าวันสุดท้ายก่อนที่ฉันจะจากเข้ามาในวันนั้นซึ่งคุณอัมพลก็รู้เห็นอยู่คืนนั้นฉันไปพา ก, กับเขาที่หนองน้ําแห้งขอพูดขอพูดความจริงเส้นตรงนี้เลยต่อหน้าพี่ใหญ่พี่กลางและชา ย, ยัน น้อยไม่ได้พักที่สถานีกักสัตว์ของคุณอำพลหรอกค่ะแต่ไป น, นอนกับประพินที่บ้านาพักน้องน้ําแห้งของเขาหล่อนเว้นระยะอัดควันบุหรี่ลึกทุกคนเงียบกริบ ป, ประพินก็คือระพินคนเดิมเป็นสุภาพบุรุษทุกกระเบียดนิ้วไม่ได้ล่วงเกินอะไรน้อยแม้แต่นิดเดียวทั้งๆ ท, ท, ที่พูดกันตามตรงว่าผู้หญิงก็ให้ท่าและเต็มใจถึงขนาดนั้นเขารักน้อยแต่ก็ให้เกียรติเคารพพี่ใหญ่เคารพพี่กลางและเคารพในความเป็นลูกผู้ชายใจเหล็กเพชรของตัวเองคืนนั้นเขาเกิดอาการไข้จับสันขึ้นด้วยเป็นอาการที่น่าท เหมือนๆ อ, อย่างที่พวกเราเคยเห็นกันมาแล้วเพรอเขาหนีน้อยไปนอนตากน้ําค้างอยู่นอกที่พักพรานพื้นเมืองของเขาทั้งสีคนมาปลุกน้อยเมื่อใกล้ลุ่มแตกสภาพอันเป็นไข้หนักของเขามาด้วยและน้อยก็มีโอกาสได้รักษาพยาบาลเขาอีกครั้งซึ่งนั่นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกระมังเสียงของหลอนแห่เพื่อไปทุกคนยังเงียบอยู่เช่นนั้นมีแต่เสียงดารินเท่านั้นที่ดังกลงวานแผ่วได้ยินไปทั่วห้องเหมือนจะรำพึงกับตนเองเขาสา่ง่ายเมื่อเกือบสว่างเรานอนอยู่ในโปรงพ่อโฮมเดียวกันบนฟูกหลังเดียวกัน และคุยกันยังมีความสุขที่สุดเขาเพียงแต่กอดน้อยไว้ในอ้อมแขนเท่านั้นให้สัญญาว่าจะลงมากรุงเทพในวันเกิดของน้อยคืนวันนี้ขณะที่เราสัญญาแก่กันนั้นไม่มีวี่แววเลยสักนิดว่าเราจะต้องพลากจากกันอย่างกระทันหันชนิดไม่รู้เนื้อรู้ตัวน้อยแน่ใจที่สุดว่าน้อยได้เห็นเขาที่นี่ในวันนี้ดารินเน้นเสียงพร้อมกับพัวเราะ อ, อย่างขมขื่นเสียงแตกพร่าแต่แล้วในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างที่หวังไว้พินพังลงหมดสิ้น ถ้าเขาคิดที่จะพละหนีน้อยโดยเจตนาน้อยจะไม่เสียใจและจะไม่พวงถึงอะไรอีกถึงเขาอีกต่อไปเราสิ้นสุดกันแค่นี้แต่นี่ก็ต้องจากไปด้วยภา ร, รกิจที่บีบบังคับเป็นภาวะจำยอมชนิดหลีกเลี่ยงไม่ได้และน้อยก็แน่ใจว่ามันฟืนต่อจิตใจของเขาอย่างที่สุดอนาคตของคนชื่อรพินภริวันเป็นภาพพลาซึ่งทํานายไม่ถูกว่าเขาจะได้กลับมาอีกคนหรือไม่ทุกคนลองเอาใจของตัวเองมาใส่ใจน้อยแล้วจะรู้เองว่าเดี๋ยวนี้ บัดนี้มันได้แตกสลายย่อยยับลงแล้วเป็นกี่เสียงความเงียบปกคลุมห้องนั้นขนาดแม้เข็มตกสักเล่มก็อาจได้ยินสี่ชายภายในห้องนิ่งงันกันไปหมดเสียงและประโยคที่พูดของดารินวราฤทธิ์ทำให้ทุกคนสลดหดหูและบังเกิดความสงสารจับจิตไม่มีใครสามารถพูดคำใดออกมาได้ทั้งสิ้นในขณะนั้นไม่มีใครเห็นเพราะร่อนยืนหันหลังให้เช่นนั้นปัดนี้น้าตาไหลลงมาเป็นทางอีก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 ตัวคุณําพลเองในฐานะเจ้าภาพและเขาสุภาพบุรุษไรคนนั้นว่า จ, จะเสร็จอาหารกลางวันมือ น, นั้นก็เกือบบ่าย2องโงแล้วพอเสร็จอาหารฉันดื่มอีกแก้วเดียวก็ขึ้นรถเตรียมกลับคุณําพลกับเขาเดินมาส่งฉันจนถึงที่รถคําพูดประโยคสุดท้ายของฉันที่มีต่อเขาก็คืออย่าลืมนะที่สัญญาไว้หลันเว้นระยะร่ํำกลืนบางสิ่งบางอย่างลงหัวอกฉันเห็นเขาชิดเท้าตรงแบบทหารซึ่งอาการเช่นนั้นมักจะเป็นอาการที่เขาชอบแสดงล้อเลียนทรัพย์หยอกฉันอยู่เสมอ ตั้งแต่พบกันครั้งแรกๆ แ, แล้วเขาตอบมาอย่างหนักแน่นเหมือนทหารรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาว่าครับผมไม่ลืมแล้วรถของฉันก็เคลื่อนหาออกมามือเขายัางแตะปีกหมวกทำบรรทยาหาอยู่เช่นนั้นส่วนฉันก็โบกมือกับเขาทางกระจกหลังรถจนกระทั่งรถได้ลับออกไปจากบริเวณของสถานีกักสัตว์นั่นเป็นภาพครั้งสุดท้ายแล้วที่ฉันได้เห็นประพินไพรวันฉันไม่ได้เฉลียวใจคิดแม้แต่สักนิดเดียวว่า นั่นมันอาจเป็นสัญลักษณ์การจากชั่วนิรันต์ทำไมนะทำไมไม่มีอะไรมาเตือนใจฉันสักนิดถึงรางร้ายนี้ถ้าฉันรู้ร่วงหน้าว่าหลังจากที่ฉันพระมาแล้วมันจะเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นฉันก็จะไม่มีวันจากเขาเป็นอันขะดเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ขออยู่เฝ้าเขาที่นั่นจนถึงที่สุดยังไม่มีใครพูดหรือเคลื่อนไหวใดๆอยู่เช่นเดิมห้องใหญ่ทั้งห้องอยู่กันหลายๆคนเรากับว่าแต่ละคนเป็นใบ้เบื้อกันไปหมดคงมีแต่เสียงเนิบชาชัดเจนเป็นจังหวะของน้องสาวคนเล็กของตระกูลเท่านั้น ที่พูดเหมือนจะรำพึงรำพันกับตนเองน้ำเสียงนั้นเจ้าซึมสะเทือนบาดลึกลงไปในความรู้สึกของทุกคนที่ได้ยินมาเมื่อตอนเด็กของคืนที่ผ่านมานี่เองสังหาร้ายจึงได้ผ่านเข้ามาในความรู้สึกของฉันฉันฝันฝันเห็นแง่ทรายในชุดของพรานกะระไรอย่างมายืนอยู่ปลายเตียงเตียงบอกความกับฉันอย่างชัดเจนว่าขณะนี้ประพินกําลังตกทุกข์ได้ยากอยู่กลางป่าลึกแล้วฉันก็เห็นภาพประพิน กำลังนอนตัวคุดคู้อยู่เดียวดายสันเป็นรูปนกด้วยพิษกำเริบของมาเรียไม่มีใครอยู่ใกล้ชิดเพื่อช่วยเหลือเขาเลยเขานอนเป็นไข้หนักอยู่คนเดียวฉันสะดุ้งตื่นขึ้นมาตัวสันเทาไปหมดพอดีกับที่พี่ใหญ่และพี่กลางกับจากงานสโมสรสันนิบาตฉันรีบลงมาเล่าความฝันร้ายให้ฟังทั้งพี่ใหญ่และพี่กลางหัวเราะฉันด้วยความขบขันหาว่าฉันคิดถึงระพินมากเกินไปเลือดลมไม่ปกติจึงฝันร้ายและก็ไล่ฉันให้กลับขึ้นไปนอนเมื่อคืนนี้ฉันไม่ได้นอนทั้งคืนเลยหลับตาทีไรมองเห็นภาพระพิน์ เป็นไข่จับสันอยู่กลางป่าทุกทีแล้วก็วันนี้เดี๋ยวนี้แหละความจริงทั้งหลายมันก็ได้ปรากฏชัดขึ้นแล้วว่าความฝันของฉันไม่ได้หลอกตัวเองเลยนอนหันช้าๆกลับมาทางพี่ชายทั้งสองที่นั่งข้อแข็งอยู่ถามว่าจริงไหมครับพี่ใหญ่พี่กลางความฝันของน้อยเมื่อคืนนี้เป็นความจริงหรือเปล่าคือทั้งสองคนยังจะพูดอีกว่าน้อยคิดมากไปเองพี่ชายทั้งสองสะอึกตอบคำใดๆไม่ถูกพี่ชายใหญ่ชะงักไปหยิบซิก้าในกล่องบนโต๊ะขึ้นมาจุดพี่ชายกลางเดินเข้ามาโอบผ่อนน้องสาวไว้แนบอก ตบหลังอย่างปลอบโยนและจูงมือมาให้นั่งที่ชุดรับแขกซึ่งทุกคนรวมกันอยู่เสียงชายยันถามเทศธาขึ้นเบาๆว่าเมื่อคืนนี้น้อยฝันอย่างนั้นหรือพี่ชายใหญ่ของตระกูลไม่ตอบได้แต่ก้มศีรษะรับเอาหลังมือขยี้ปลายจมูกชายยันพึมพำมาอีกว่าแต่ไหนแต่อะไรมาแล้วนับตั้งแต่เดินป่าอยู่ด้วยกันฉันรู้สึกว่าน้อยจะมีเซนส์อะไรพิเศษสามารถจะรับรู้เหตุการณ์ได้ล่วงหน้าชนิดที่คนอื่นมองไม่เห็นเสมอถ้าเขาสังหรณ์อะไรก็มักจะจริงทุกครั้งและถ้าฝันอะไรก็แม่นยําที่สุดอย หม่อมราชวงศ์อนุชา ย, ยังคงประคองหลายน้องสาวอยู่เช่นนั้นมองไปยังนายอัพลซึ่งนั่งนิ่งอยู่เอาละคุณอัมพลคราวนี้เราจะหารายละเอียดกันออกไปให้แน่ชัดเสียทีถึงการเป็นมาเป็นไปเท่าที่คุณจะให้ได้เกี่ยวกับเรื่องระพินเข้าป่าในครั้งนี้รับคุณชายกลางเรื่องอื่นผมก็เรียนให้ทราบเป็นเล่าๆแล้วทุกท่านสงสัยอย่างใดก็โปรด ถ, ถามผมมาทีละอย่างดีกว่าผมไม่ปิดบังอะไรไว้เลยก่อนอื่นขอย้าอีกครั้งให้คุณสบายใจได้เสียก่อนเลยว่าพวกเราทุกคนไม่ได้โทษ นึอปรากรมว่าเป็นความผิดของคุณเลยใช่ไหมพี่ใหญ่ชา ย, ยันอดีตนักเดินป่ากระดูกเหล็กไหลผู้เคยจะเอาชีวิตไปทิ้งเส้นในแดนหลงสํารวจผู้ใช้นามว่าชดประชากรหันไปทางพี่ชายใหญ่และเพื่อนเหมือนจะให้รับคําสนับสนุนทั้งเชทิทาและชา ย, ยันก้มศรีรษะลงถูกต้องเราไม่โทษคุณอย่างเด็ดขาดด้วยประการทั้งปวงแหนมพลถอนใจออกมาอย่างโล่งอกยกมือท่วมหัวจะประคุณผมเองตลอดระยะเวลาเดินทางมานี่ก็บนบานศาลกล่าวมาทุกขณะว่าขอให้ผมรอดพ้นจากข้อหาอันนี้เถิด ทั้งสามท่านเป็นสภาพบรุษที่มีเหตุผลและจิตใจถึงแล้วทั้งนั้นผมห่วงอยู่ท่านเดียวเท่านั้นคือคุณหญิงดาวรินคุณหญิงคงจะโกรธแค้นผมมากดารินเม้มปากและยิ้มเศร้าๆสันสีสะพูดแผ่วเบาเปล่าเลยคุณอำพลฉันไม่ได้โกรธคุณหรอกภายหลังจากใครายครุนถึงเหตุผลโดยท่องแท้แล้วมันเป็นคราวเคราะห์ร้ายของฉันและระพินเองซึ่งอะไรก็ช่วยไม่ได้สิ่งใดมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่คุณคงห้ามไม่ให้ฉันเสียใจยไม่ได้หรอกนะ พอออกอรบริษัทไทยไวต์ไลฟ์ยกมือไหว้หมอมราชวงศ์หญิงดารินนับจะเป็นอาการกราบผมนับถือน้ําใจคุณหญิงครับนับถือน้ําใจของทุกท่านซึ่งเปรียบเสมือนเจ้านายของผมและทราบดีว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ผมจะหลีกเลี่ยงจากการพัวพันไปไม่ได้เป็นนั้นค่ะโดยแท้จริงแล้วผมเชื่อว่าทุกท่านคงจะตระหนักดีว่าผมก็เสียใจในการจากไปของคุณระพินไม่น้อยไปกว่าพวกท่านเหมือนกันแต่มันเป็นเหตุการณ์สุดวิสัยที่จะเลี่ยงไม่ได้จริงๆ เรามีภารกิจของประเทศชาติเข้ามาเกี่ยวข้องเต็มตัวทุกท่านเสียใจตกใจผมเองก็เสียใจและตกใจมาก่อนท่านแล้วแต่ผมจะทําอะไรได้จะสกัดกั้นอย่างไรอําพวกล่าวแทบเผื่อจันจิสะไปมาอย่างเศร้าใจเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากจริงใจไม่ได้เสียแง้งน้อยจะถามอะไรเขาก็ถามเลยคุณอําพวไม่มีอะไรจะปิดอีกแล้วภายหลังจากที่เขาปิดรามานาถึงเจ็ดวันเต็มๆ ต, ตามคํามั่นสัญญาที่ระพินเองเป็นผู้ขอไว้พี่ชายกลางพูดกับน้องสาวเล็ก รอนสันหน้าช้ชะน้อยพูดอะไรไม่ออกในขณะนี้ค่ะและไม่ทราบจะถามอะไรด้วยมันมึนงงไปหมดถ้างั้นพี่ใหญ่ถ้างั้นก็พี่ใหญ่จะครับรู้สึกว่าจะสุขุมรอบคอบกับพวกเราทุกคนอนุชายกหน้าที่ให้ภายหลังเด็กนิ่งไปครู่เชิฐาก็วางซิก้าลงเจตนาจะปล่อยให้ดับไปเองบนที่เขียวแล้วรินบดันดีหยิบถ้วยขึ้นมาถือประคองไว้ใจเย็นๆค่อยพูดค่อยจาคันก็ได้อย่างน้อยเราก็มีเวลาที่จะคุยกับคุณอำพลทั้งคืนถ้าจําเป็นใช่ไหมคุณอำพล ชายร่างอ้วนใหญ่อาชีพส่งสัตว์ป่าออกนอกประเทศโดยอภิสิทธิ์ยิ้มแห้งๆกี่คืนก็ได้ครับคุณชายถ้าหากพวกท่านยังไม่กระจ่างพอไม่มีอะไรที่คุณจะปิดบังเราแน่นะผมสาบานน้อยกระบ อ, อกจากสถานีกักสัตว์ของคุณประมาณบ่ายสองโมงเจ้ากรมข่าวทอบอกับลูกชายและอเมริกันชุดนั้นไปถึงสถานที่ของคุณในบ่ายวันเดียวกันเลยแต่คนและเวลางั้นใช่ไหมครับผมเวลาประมาณสักเท่าไหร่ก็ราวสี่มงเย็นเสร็จ แปลว่าสวนทางกันกับการเดินทางกลับของน้อยนั่นแหละก็คงจะสวนทางกันนั่นแหละครับนี่ชายใหญ่เหลือไปทางน้องสาวผู้นั่งเงียบเป็นฝ่ายฟังอย่างเดียวพูดได้เบาๆว่าเฉียดเวลากันนิดเดียวเท่านั้นแหละน้อยน้อ ย, อยกลับพวกนั้นก็ไปแล้วก็เอาระพินหายไปเลยนับแต่นั้นประโยคหลังดูมันจะพูดให้เป็นแง่สะพโยกขำขันและหันมาทางแนมพลต่อประพินรู้สึกด้วยมีท่าที่อย่างไรบ้างเมื่อก็รู้ว่าเขาจะต้องทําอะไร เมื่อพบและทราวัตถุประสงค์ของคนชุดนั้นภายหลังจากที่คุณให้คนไปตามเขางานมพลถอนใจเยือกอีกครั้งครั้งแรกแกโกรธแค้นมากครับเต็มไปด้วยความมุดงิดพรุ่งพลาดและจะไม่ยอมท่าเดียวแต่ในที่สุดก็ต้องจำนนต์ต่อเหตุผลเมื่อมีเรื่องของประเทศชาติเข้ามาเกี่ยวข้องผมเห็นสีหน้าจากการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของคุณระพินและน้ำตาจะล่วงให้ได้สงสารบอกไม่ถูกแกไม่ได้มีความเต็มใจนำทางในครั้งนี้เลยแต่ก็ต้องไปด้วยเกียรติยศศักดิ์ศรีของพรานที่ชื่อระพินไพรวัน และการมอบหมายหน้าที่ของทางราชการลักทุกท่านโปรดเข้าใจด้วยว่าการไปของคุณระพินในครั้งนี้ไม่ได้รับจ้างเหมือนเมื่อครั้งนําพวกคุณชายไปหากแต่เป็นภาระจํายอมที่เลี่ยงไม่ได้ดังได้กล่าวแล้วผลประโยชน์อันเป็นเงินก้อนที่แกและพวกพรานของแกได้รับนั้นเป็นแต่เพียงรางวัลตอบแทนที่ทางรัฐบาลสหาราชจะมอบให้เท่านั้นซึ่งตัวแกเองและลูกน้องทุกคนก็ไม่มีใครคิดว่าจะได้กลับมาใช้ประโยชน์อะไรได้นอกจากจะทิ้งไว้เป็นมรดกของคนที่อยู่ข้างหลังเท่านั้นพอแกสั่งให้ผมจัดการหาทนายความมาทําพินัยกรรม ผมก็สะอื่ออยู่ในหัว อ, อกถ้าจะร้องไห้ออโฮออกมาดังผมทวงแกแล้วว่าไม่ควรจะทำอะไรเป็นรางอย่างนั้นแกก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนแกต้องไม่ประมาทราะเงินตอบแทนนะั้นถึงจะไม่มากเกินไปแต่ก็ไม่น้อยนะพอที่จะเป็นเครื่องอย่างชีพของคุณแม่แกได้ตลอดชีวิตแกไม่อยากขัดใจอะไรผมไม่อยากขัดใจอะไรแกทั้งสิ้นก็ต้องทาตามที่แกต้องการผมขอเรียนตามตรงครั้งแรกคุณรพินขวัญเสียมาก ไม่ใช่เกิดเพราะความขาดวาดกลัวหรือระยอต่อ ง, งานหนักเสี่ยงชีวิตใดๆทั้งสิน้นแต่ผมรู้ว่าแกรู้ตัวว่าจะต้องไปอย่างไม่รู้อนาคตต้องจากคุณหญิงและพวกเราทุกคนซึ่งแกเองก็ไม่แน่ใจว่าจะได้กลับมาอีกหรือไม่แต่ก็ช่วงขณะเดียวเท่านั้นผมก็เห็นแกกลับมาเป็นความเข้มแข็งนั่นเป็นบุคลิกเดิมของแกอาดองและไม่ยี่ละกับอะไรทั้งสิน้นภาพของคุณรพินในขณะที่แกตัดสินใจเฉียบขาดว่าจะต้องรับนำทางภาพของสีหน้าและแววตาลักษณะยืนของแก ประทับอยู่ในมนโนภาพของผมจนบัดนี้ชนิดไม่มีวันลืมเลือนไปได้สําหรับคุณหญิงและพวกเราทุกคนที่นี่เมื่อรู้ข่าวการจากไปของแกมีความรู้สึกที่ขมขื่นปวดร้าวอย่างไรผมก็ขอสาบานว่าวันที่ผมเห็นแกจากหนองน้ําแห้งไปนั้นแกมีความขมขื่นปวดร้าวยิ่งกว่าพวกเราทุกคนร้อยเท่าพันทวีเสียงแนมพลขาดท้วนหายไปน้ําตาของเขาเองลาอีซึมเมืม่อย้อนนึกถึงภาพนั้นดารินะอื้นออกมาดังๆังยกมือปิดหน้าอีกครั้ง ชา ย, ยันตาแดงกัดกรามแน่นอนุชานิ่งขึงจังงังส่วนเต็ดเช็ดทักกระดกแก้วบรันดีวาบเดียวหมดแล้วรินใหม่อย่างเยือกเย็นบังคับมือไม่ให้สัน่นภายในห้องสั ง, งัดไปอีกบรรยากาศเต็มไปได้วยความเศร้าซึมขั้นหนะักจารินพึมพำออกมาว่าระพินฉันฉันเข้าใจความรู้สึกคุณดีที่สุดถ้าฉันเห็นภาพของคุณวันนั้นเหมือนอย่างที่คุณอัมพลเห็นฉันคงขาดใจตายระเบิดลูกนั้น เป็นนิวเคลียสิบเมกะตันเชิดถาถามเคร่งครึมต่อไปครับผมสิบมกะตันสูญไปพร้อมกับบีห้าสิบสองซึ่งแหล่งข่าวยืนยันแน่นอนว่ามันหายไปในระหว่างบินผ่านพม่าตอนตะวันออกเฉียงเหนือหรืออะไรทึกบๆนั้นผมก็ฟังไม่ชัดนะักการค้นหาของรัฐบาลสหรัฐได้ทำกันอยู่พักใหญ่แล้วแต่ไร้ผลโดยสิ้นเชิงจึงต้องตัดสินใจค้นหาทางภาคพื้นดินโดยอาศัยพลานาทางมือดี และอย่างซ่อนเร้นเป็นความลับที่สุดผมเองผมเองที่แอบเอามาบอกความจริงกับพวกท่านนี่ถ้าซ i a รู้เข้าเมื่อไหร่ผมก็ถูกเก็บแน่ฟังดูมันออกจะย่อนเหตุผลมากนะคุณอัมพลชั ย, ยันขัดขึ้นทันทีเครื่องบินบรรทุกระเบิดนิวเคลียร์ตกกองทัพอากาศสหรัฐน่าหรือจะค้นแหล่งไม่พบถึงกับจะต้องให้พรานนำทางค้นหาภาคพื้นดินทุกคนจ้องหน้าในอมพลเป็นตาเดียวฝ่ายถูกซักไซ์เต็มไปด้วยความอึดอัดใจ ผมเองครั้งแรกก็ฟังเป็นสิ่งเหลือเชื่อเหมือนกันแต่ภายหลังจากใคร์ครวนดูแล้วประกอบกับเหตุผลของคนที่รัฐบาลสหรัฐส่งมาเหล่านั้นอธิบายผมก็มองเห็นความจริงอยู่บ้างเหมือนกันทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้เคยผ่านป่าและดินแดนอาถรรพ์ลี้ลับพิสดารมาแล้วคงจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นในกรณีที่บางพื้นผูมิประเทศวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ายุคใหม่จะโง่ ง, งทําอะไรไม่ได้เลย เครื่องบินลำนั้นอาจพลาดเข้าไปในแดนสนธยาหลงสำรวจก็ได้ลองคิดถึงความลี้ลับของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแต่ความลี้ลับของป่าดงที่พวกท่านทานกันมาแล้วพวกท่านคิดบ้างไหมครับว่าเราจะใช้เครื่องบินที่มี ส, สมรรถภาพที่สุดในโลกลำไหนบินสำรวจหาเทือกเขาพระศิวะหรือมรกรกครได้ถ้าไม่ใช่เพราะเดินตามลายแทงผ่านความลี้ลับมอัศจรรย์ทั้งหลายไปเป็นเปราะเปลาะก็อาจจริงอนุชา ย, ยอมรับก้มหัวลงทีนี้เรื่องมันพิสดารอยู่ตรงที่ว่า เทศใดคนเหล่านั้นจึงเจาะจงมาที่ระพินของเราชนิดตรงเป้าเป๊ะเลยผมงงอีกเหมือนกันในเคระข้อนี้พวกนั้น ท, ทําทีเป็นเหมือนจะมาสแสวงหาพรานนาทางทั่วๆไปซึ่งกรบเกลือนความจริงไว้ได้อย่างแนบเนียนสนิทมากแต่ผมมาทราบจากท่านพลโทวิชัยภายหลังว่าพวกนั้นได้รับคำสั่งให้เจาะจงตัวมาโดยเฉพาะทีเดียวเรื่องคอมพิวเตอร์ของพวกเขาดีดชื่อระพินไพรวันออกมาทันที ภายหลังจากถูกป้อนข้อมูลเข้าไปว่าพรานคนไหนชื่ออะไรอยู่ที่ไหนประสบการณ์ความสามารถเพียงไรที่ควรจะเป็นผู้นําทางในครั้งนี้ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ดีดชิวระพินออกมาเชษฐาชัยยา น, นุชาร้องออกมาเป็นเสียงเดียวกันอ้าปากค้างส่วนดารินยังไม่สนใจกับอะไรทั้งสิ้นนอกจากก้มหน้าเช็ดน้ำตาไหนว่าอย่างนั้นครับไม่ใช่คุณเป็นคนเสนอชื่อแนะนําเข้านะโทษท่านทั้งหลายครับผมจะหาเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณรพินทําไม พอท่านในพลตรงไปพบผมก็ส่งชื่อคุณละพินหมักให้ผมไปตามทันทีตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยซ้ําว่าท่านให้ตามมาทําไมถ้ารู้ล่วงหน้าผมก็จะส่งคนไปบอกให้คุณระพินหลบหน้าหนีไปเสียก่อนแล้วหน้าที่ของระพินก็คือเป็นพรานนําทางสแสวงหาตําแหน่งตกของเครื่องเพื่อจะพบระเบิดลูกนั้นครับพรานนําทางพรานคุ้มกันพรานผู้นําไปเพื่อค้นหาซากตกของเครื่องให้พบตามปิกัดที่เขากําหนดมาให้เป็นเล่า โดยการควบคุมติดต่อกับสถานีลอยกลางอากาศทุกระยะพวกนั้นมีวิทยุรับแสงแรงติดตัวไปด้วยสมรรถานะของมันผมเข้าใจว่าสามารถส่งถึงดาวเทียมอันเป็นหอบังคับการได้อย่างสบายหรืออาจส่งตรงถึงธทมเนียบขาวก็ยังไหวแล้วคุณบอกว่ายังไงนะพวกอเมริกันเพียงสี่คนนายทหารไทยอีกหนึ่งคนระพินกับพรานนาทางลูกหาปรวมแล้วยี่สิบคนสมมติว่าคนระเบิดลูกนั้นพวกเขาจะมีปัญญากรุ พวกเขาจะมีปัญญาคู่กลับมาได้ยังไงอนุชาวอุทานลาาา่าธรรมยังงงงวยชัยยันโบกมือเรื่องนี้แกไม่ต้องห่วงหรอกกลางฉันพอเข้าใจขอให้เราพินนําพวกนั้นไปพบระเบิดก่อนเท่านั้นวิธีกู้ของเขาง่ายดายมากวิทยุรายงานตําแหน่งแห่งที่แน่นอนแค่อย่างเดียวเท่านั้นกําลังทางอากาศจากกองบินปีกหมุนจะพลูกันไปทันทีทีนี้ปัญหาสําคัญมันอยู่ที่ว่าระเบิดตกอยู่ตําแหน่งไหนจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่จึงจะค้นพบได้ จะต้องเสี่ยงภัยในป่าลึกซึ่งเต็มไปด้วยสารพัดอันตรายอย่างใดบ้างนอกจากนั้นก็ภัยจากกรรมตภาพรังสีที่อ่านรั่วออกมาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องความรับทางราชการทหารที่สำคัญสุดยอดและเป็นการปฏิบัติงานแบบใต้ดินซ่อนเร้นฉันกลัวว่าระพินกับพวกของเขาทั้งหมดจะถูกหักหลังฆ่าตายหมดกลางป่านั่นแหละภายหลังจากพวกนั้นกู้ระเบิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเชิดท้ากับอนุชาลีตาลงดารินเองก็เงยหน้าขึ้นทันที แอมพลพูดแผ่วว่านั่นเป็นสิ่งที่ผมวันเกรงที่สุดครับขอเรียนจากใจจริงภัยอันตรายใดๆจาก่าใหญ่ไพายกว้างผมเชื่อมือคุณรพินแต่ภัยจากการหักหลังหน้าหนักใจที่สุดดูผักผะดูผัดผัดว่าพวกนั้นไปกันแค่สี่คนสองคู่ก็จริงแต่ถ้าพบระเบิดเมื่อไรและกองกำลังทางอากาศมาถึงเมื่อไรฝ่ายคุณรพินจะเสียเปรียบเต็มประตูจะอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณระพินเองก็ตระหนักได้ดีล่วงหน้าแล้วสําหรับลูกชายของท่านในผลที่เสี่ยงชีวิตไปด้วยชื่อพันตรีเชิดวุชไม่มีปัญหาอะไรคงเป็นฝ่ายของคุณระพินแน่เพราะถึงอย่างไรก็เลืดไทยด้วยกันลักษณะท่าทีของอเมริกันสี่คนนั่นในสายตาของคุณเป็นยังไงบ้างเชษฐขาสอบอยู่ในคราบของนักวิชาการทางเทคนิคเกี่ยวกับการกู้ระเบิดโดยตรงทั้งนั้นครับหัวหน้าเป็นด็อกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญทางพลังงานนิวเคลียโดยเฉพาะรองลงมา เป็นพันเอกทหารบกแต่ชํานาญทางการบินและวิทยุสื่อสารกับเสนาธิการผู้หญิงคนหนึ่งผมทองเป็นนักเคมีฟิสิกส์อีกคนหนึ่งผมแดงเป็นนักธรณีวิทยาและอายุรแพทย์ชนานาญทางโรคเมืองร้อนแต่ทั้งสีคนนั่นแหละ CIA ชั้นหัวกระทิทั้งนั้นที่เป็นความรู้สึกของผมรายละเอียดและภาพถ่ายสีของบุคคลเหล่านี้ผมมีอยู่นี่แล้วครับกล่าวพลางอมพล พลากอก็หยิบเอาแฟ้มบางๆอีกแฟ้มหนึ่งซึ่งเตรียมไว้แล้วอยู่ในกระเป๋าเอกสารยื่นส่งไปให้เชิดาอนุชาและชายยันก็เข้ามานั่งประกบข้างมุงดูทันทีที่เชิดขาค่อยๆเปิดขึ้นในขณะที่ดารินนั่งซึมเฉยอยู่ตามองท่อจับอยู่ที่ซองพี่นายคำซึ่งทิ้งไว้บนโตะ๊ะดวงตาทั้งคู่ของหล่อนแดงช้ำหลอนร้องไห้มามกๆจนไม่มีน้ําตาจะไหลอีกแล้วจากแฟ้มส่วนตัวของนายมพลให้ความละเอียดแก่ผู้ที่มุงดูอยู่ในขณะนี้พอสมควรทีเดียว มันมีทั้งรูปถ่ายใบหน้าอักบัตกริยาต่างๆของอเมริกันทั้งสี่คนในลักษณะรอบแอ บ, บถ่ายโดยไม่ให้รู้ตัวรวมทั้งภาพของนายทหารไทยที่ชื่อพันธุ์ีเชิดวุฒิไกรรณยุทธ์ด้วยมีชื่อและรู ป, ปรพรรณของแต่ละบุคคลอยู่ภายใต้ใตภาพทุกภาพเป็นภาพสีทั้งสิ้นถ่ายในริยาบทต่างๆทั้งในห้องรับรองของสถานีกักสัตว์และบริเวณสถานีตั้งต้นของการเดินทางคือหนองน้ําแหง้งบางภาพชัดเจนดีมากบางภาพแสงไม่พอพระมัวไปบ้าง แต่ก็สามารถจะจำใบหน้าตลอดจนลักษณะสันธานได้อย่างสบายถ้าหากได้พบตัวจริงมันแสดงให้เห็นถึงว่าแนมพลพรากรเป็นมัวอยู่เหมือนกันและวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วที่จะทําบันทึกรูปพรรณของคนเหล่านี้ไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะออกเดินทางบันทึกใต้ภาพของแต่ละบุคคลไม่ใช่ประวัติของคนเหล่านั้นแต่เป็นรายงานตามความคิดเห็นของตัวแนมพลเองในการที่จะระบุว่าใครเป็นอย่างไรอายุประมาณเท่าไหร่ตลอดจนลักษณะท่าทีและอุปนิสัยใจคอบินสเตรอรลี่หัวหน้าคณะ ผู้เชี่ยวชาญทางอาวุธนิวเคลียร์และพลังงานปรมาณูพันเอกลารี่คีตนายทหารเสนาธิการพลังงานวิทยุและเชี่ยวชาญการบินริสตินากรูบิลนักเคมีฟิสิกส์ผมทองอิซาเบลมูอรุยแพทย์อายุรแพทย์และธรณักนธรณีวิทยาเจธาอนุชาและชา ย, ยันตรวจสอบอย่างละเอียดทีท่วนที่สุดและหาหลือกันเ บ, บาในขณะที่ดารินยังนั่งซึมเฉยหล่อนไม่ได้เข้ามาร่วมดูอยู่ด้วยแหนพลทาหน้าที่อธิบายเมื่อถูกคนใดคนหนึ่งซักหารายละเอียด สามคนพูดไทยได้ดีครับโดยเฉพาะแม่ผมสีบรอนที่ชื่อคริสตินานั่นถ้าพูดโดยไม่เห็นตัวก็ต้องนึกว่าเป็นคนไทยเราดีๆนี่เองส่วนลาลีคีดพูดได้งวงๆูปลาปลาอำพลขยายความด้วยเสียงแผ่วเบาของเขาทั้งสามชายพิจารณาไปทีละภาพในอริยาบทต่างๆของบุคคลเหล่านั้นก็เหลือบตามองดูกันเองจริงของคุณอำพลลักษณะของทั้งสี่คนนี้มันสายรับทั้งนั้นชัยยันกระซิบ เชิถานไม่พูดอะไรทั้งสิ้นแต่ชี้นิ้วไปยังภาพของคริสตินากรูบิลกับอิซาเบลูชายันและอนุชาจ้องเขมงและโดยไม่ได้นัดกันไว้ทั้งสามชายรอบชำระืองไปทางดารินบาราริสผู้นั่งเมอลอยอยู่ต่อมาต่างก็มองไปยังแหนมพลผู้มีสีหน้าเจือนเซียซีอยู่ตามเดิมอนุชาผู้นั่งอยู่ใกล้กับแหนมพลมากที่สุดดึงปากกาออกมาจากกระเป๋าเขียนอะไรอย่างรวดเร็วในเศษกระดาษส่งไปให้แหนมพลดู ผู้หญิงอเมริกันสองคนนั้นสวยมากเกินกว่าที่จะไปทํางานชนิดนี้ทั้งสองคู่เป็นผัวเมียกันหรือเปล่าโนต้ตนั้นก่อนจะส่งไปให้แนมพลเชิดท้ากับชา ย, ยันก็มองเห็นข้อความต่างหุบปากเงียบเพราะตจะหนักได้ดีว่าอนุชาไม่ประสงค์จะเอ่ยคําพูดใดๆออกมาเกี่ยวกับหญิงอเมริกันทั้งสองให้ดารินได้ยินแําพลนั้นพอมองเห็นโนต้ตก็เข้าใจความได้ดีรอบมองไปทางดารินเห็นยังไม่ได้หันมาเอาใจใส่ใดๆก็รอบเขียนตอบลงไปในโนต้ตว่าลักษณะไม่ใช่สามีพัญญาตแต่เป็นผู้ร่วมงาน ความสวยนั้นรู้สึกว่าจะเป็นเจตนาโดยตรงที่คัดเลือกตัวกันมาแต่ซ่อนความร้ายกาจไว้ได้วยกันทั้งคู่ตามความเข้าใจของผมพ ย, ยันาลอบสกิดแก่เชษฐาและบุยบาบเป็นความหมายอะไรอย่างหนึ่งเชษฐาจึงแกะรูปแม่สาวอเมริกันผู้เชิดโฉมรอกับนางงามทั้งผมสีทองและสีแดงออกจากแฟ้มประวัติจนหมดแล้วลอกใส่กระเป๋าเสื้อตัวเองไว้คงทิ้งไว้แต่ลักษณะลู ป, ปพันธ์ที่แอมพลบันทึกไว้เท่านั้นจากนั้นก็แทกแจ้งพูดขึ้นด้วยเสียงปกติว่า คนนี้เหรอพันธุ์ตีเชิญวุฒิบุตรชายของท่านในพลที่เสี่ยงชีวิตไปด้วยพระผมแกเป็นทศออของคุณพ่อแกเองด้วยนิสัยดีมากและรู้สึกว่าจะเข้ากับคุณระพิน์ได้อย่างสนิทคุณระพิน์ก็ชอบแกมากอัมพลต่อและมันก็เจ้ากรรมเหละเกินไอจากแอร์คอนดิชั่นในห้องโชยมาวูบนึงเป่าเศษกระาดาษที่อนุชาและแนมพลเขียนโน้ตโต้ตอบกันซึ่งยื่นส่งกันไปมาก่อนที่ใครจะทันขยําทิ้งปลิวข้ามโต๊ะตกมาตรงหน้าของดารินพอดี ทั้งสี่ชายใจหายวา่าบเมื่อเห็นดารินเหลือบลงมองแล้วหยิบขึ้นมาพลิกขึ้นดูข้อความที่ปรากฏอยู่ในนั้นก็พลันประจับแจ้งกับสายตาของหม่อมราชวงศ์ซาวท่ามกลางการนิ่งอึ้งของสี่ชายในห้องนั้นดารินมองหน้าไปทีละคนประกายตาของหลอนสว่างขึ้นมาทันทีจากสภาพอันเลื่อนลอยไม่เข้าใจกันที่ทำไมจะต้องมีการส่งซิกแนลกันด้วยภาษาเขียนแบบนี้ด้วยไหนส่งแฟ้มนั้นมาให้น้อยดูสิหมดฑลทางจะหลีกเลี่ยงรูปกปิดใดๆได้เสียแล้วเชษฐายัางนั่งเฉยวางแฟ้มไว้กับตักอนุชาชา ย, ยันก็นิ่ง ส่วนแหนมพลไม่กล้าศกตาดาวรินชงโงกตัวเข้ามาแบมือขอให้น้อยดูหน่อยสิคะพี่ใหญ่เทศสาววางหน้าเรียบทรงไปให้โดยดีน้องสาวคนเล็กเปิดออกพิจารณาเงียบๆอยู่คนเดียวอึดใจก็เงยหน้าขึ้นพูดอย่างปกติที่สุดว่าขอดูรูปผู้หญิงอเมริกันสองคนนั่นด้วยค่ะมีรอยแกะเอาจากแฟ้มบันทึกรายงานนี่อยู่ที่ใครพี่ใหญ่พี่กลางชัายยานันหรือว่าคุณน้ำพลพร้อมกับพูดร่าสกุลสาววางโน้ตที่หล่อนเก็บได้และอ่านข้อความโต้ตอบกันโดยตลอดแล้วนั้น ลงไปบนโต๊ะพร้อมทั้งเลื่อนที่เท่าเขียบที่เขียบเท่าบหรี่แก้มาทับไว้กันปลิวเป็นสัญญาณบอกให้ทุกคนทราบว่าหล่อนพอจะเข้าใจอะไรหมดแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องซ่อนเร้นลึ่งสงวนเป็นความลับอีกต่อไปพี่คิดว่าน้อยกําลังไม่สบายขึ้นไปนอนพักซะก่อนดีไหมพี่จะอยู่หารือกันสามคนนี่เชษฐ้าตัดบทกรบเกลื่อนน้องสาวสั่นซิไซอย่างแช่มช้าแต่เด็ดเดี่ยวน้องสบายดีแล้วค่ะรับรองว่าจะไม่เป็นอะไรอีก เราหัวใจมันเจ็บปวดบอบช้ำเ จ, จนชาแล้วพอดูรูปหน่อยค่ะพวกผู้ชายทั้งสามคนนี่เห็นจะจำหน้าได้แล้วแต่ผู้หญิงอีกสองคนที่ร่วมขนาไปด้วยมีใครแกะออกไปหรือแต่บรทุกหรือแต่บันทึกรูปประพันเป็นตัวอักษรเท่านั้นอนุชาพยักหน้ากับพี่ใหญ่ไม่มีประโยชน์ที่จะซ่อนเส็จแล้วเอาให้ดูเธอพี่ใหญ่เชษดาแววตาไม่สบายใจยิ่งจำใจต้องดึงรูปชุดนั้นออกรงให้น้องสาวเงียบ ท่ามกลางความรู้สึกอันไม่อาจบอกถูกของทุกคนทุกสายตาจับสังเกตมาที่ดารินเป็นคนตนเป็นตาเดียวเห็นหล่อนคลี่รูปชุดนั้นออกพิจารณาดูทีละรูปอย่างเพ่งพินิษ ท, ทั้งหมดมีอยู่ประมาณหกเจ็ดภาพของอเมริกันสาวทั้งสองในอิรยาบด์ต่างๆรวมทั้งภาพหน้าเต็มชัดเจนด้วยภาพสีสดเห็นจะแจ้งทั้งสีผมสีตาและผิวดารินดูไปทีละรูปละรูปประมาณเกือบสิบวินาทีและสลับซ้ําวนเวียนอยู่สองรอบใบห น, น้าซีดขาวปรากฏริ้วเลือดแดงแล้วซีดซีดแล้วแดง ซับเปลี่ยนกันอยู่เช่นนั้นแต่กริยาภายนอกสงบและในที่สุดหล่อนก็แยกรูปเอาไว้สองพวกชุดของแม่ผมทองชุดหนึ่งและชุดแม่ผมแดงชุดหนึ่งวางชุดของแม่ผมแดงไว้บนตักก่อนหันมาเพ่งเฉพาะแม่ผมทองอีกครั้งผู้หญิงบรอนแ h ร i ู blue eyes คนนี้ชื่ออะไรนะหล่อนชูขึ้นหันไปทางแอมพล์ังเสียงแตกพระาคริสครับคริสตินากรูบิลแอมพลอ้อมแอมแทบจะฟังไม่รู้เรื่องเป็นนักเคมีฟิสิกครับผม ดารินนั่งเอมือเท้าค้างดูแล้วดูอีกเหมือนจะให้ทะลุภาพเข้าไปเห็นภายในเมมเรนพิปะเก็เป็นเส้นตรงแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นภาพของอิสซาเบลในาการเดิมคือเพ่งไปทีละภาพบลูเน็ตบราวด์แฮร์บลูเน็ตบราวด์อาอนพึมพำวันนี้คงจะเป็นหมอกับนักธรณีวิทยากระมังครับผมน้องสาวเล็กของตระกูลมองดูพี่ชายทั้งสองที่จ้องอยู่ก่อนแล้วฝืนยิ้มให้น้อยเข้าใจแล้วล่ะค่ะทาไมพี่กลางกับคุณอาพล ถึงต้องใช้ภาษาเขียนซักถามข้อความกันแล้วทำไมพี่ใหญ่ถึงจะต้องดึงรูปผู้หญิงสองคนนี่ออกด้วยคงจะนึกกระมังเขาว่าถ้าน้อยเห็นคงจะเต้นเป็นงิ้วเพราะทั้งสองคนนี่นะรูปร่างหน้าตาขนาดส่งประกวดมิสยูนิเวิร์สหรือมิสเวิร์ลได้อย่างสบายหลอนสันสีสะแช่มช้าเน้นเสียงหนักแน่นไม่คะ่ะน้อยไม่หวั่นไว้เลยระพินก็คือระพินและเขาจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้เป็นอันค่ะนอกจากของน้อยเท่านั้น ไม่ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือหาชีวิตไม่แล้วน้อยไม่เคยหวั่นไว้ในเรื่องนี้แม้เท่าขี้ผงน้อยเชื่อใจเขาผู้ชายในความมีหัวใจอันซื่อสัตย์มั่นคงของเขาแต่ที่น้อยวิตกเป็นทุกข์ในขณะนี้ก็คือเขาจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรจะได้กลับมาให้น้อยเห็นอีกหรือไม่เท่านั้นพรางหล่อนก็โยนรูปทั้งสองลงบนโต๊ะร้องว่าเชอะไม่แคร์สักนิดต่อให้หยาดฟ้ามาดินสักขนาดไหนไม่มีใครรู้จักกระพินดีไปกว่าน้อยหรอก และทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้โดยเฉพาะพี่ใหญ่และพี่กลาง <c oughs> ก็ไม่รู้จิตใจแท้จริงของน้อยด้วยอุตสาวเอารูปผู้หญิงอเมริกันสองคนที่ไปซ่อนเสียกลัวน้อยจะหึงชักดิ้นชักงอไปงั้นหรือไม่มีวันเสียหรอกอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราฤทธิ์ชัยยันตบเขาตัวเองดังฉะเทศทากับอนุชาหน้าเจืแต่ก็ยิ้มออกมาได้อย่างภาคภูมิและพอใจน้องสาวพี่ต้องเป็นอย่างนี้ ข อ, อโทษด้วยถ้าพี่กับกลางจะทำอะไรไม่สมควรไปบ้างเพราะความรักและเป็นห่วงน้อยจริงสินะพวกเราผู้ชายสี่คนที่อยู่ในห้องนี้ช่างโง่เครากันเสี้ยนละเกินพี่ชายใหญ่สารภาพพี่ขอรับรองให้อีกคนหนึ่งว่าผู้หญิงในโลกนี้สำหรับราพินแล้วไม่มีใครจะสวยหรือเพรียบพร้อมไปด้วยความดีงามเท่ากับน้อยหรอกเขาก็เป็นสุภาพบุรุษที่ยิงในเกียรติศักดิ์ชายชาตรีของเขาอย่างที่สุดน้อยเข้าใจเขาอย่างนั้นก็ดีแล้ว พี่สองคนพลอยสบายใจไปด้วยด้วยเกียรติของผมอีกคนหนึ่งถ้าหากว่าผมจะมีเกียรติในด้านวาจาสัตว์อยู่บ้างผมขอรับรองกับคุณหญิงว่าต่อให้สาวอเมริกันคู่นั้นจะสวยหยาดเยอะมีสเสน่ห์สักขนาดไหนคุณระพินก็ไม่สนใจเลยสักนิดออกจะเขม็นเ ข, ขม่นเกลียดขี้หน้าเอาเสียด้วยซ้ำแนมพลพูดอย่างปลอบใจมาอีคนดารินวราริศลุกขึ้นยืนอีครั้งยืดกายตรง ขอบใจคุณน้ำพลที่อุตส่าห์ให้กำลังใจแก่ฉันแต่วิธีพูดของคุณมันไม่ช่วยอะไรฉันขึ้นมาได้หรอกถ้าหากว่ามันไม่เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นของฉันเองที่มีต่อเขาไอการกระหม่นกระหม็นลึกเกลียดขี้นหน้าที่เขาแสดงต่อผู้หญิงคนไหนก็ตามไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาตัดสินได้ฉันเองก็เหมือนกันพบกันครั้งแรกเขาก็เกเหม่และเกลียดขี้นหน้าฉันขนาดไหนทุกคนรู้ดีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เอามาพูดกับฉันไม่ได้ความเชื่อมั่นของฉันนั้นมันมาจาก ความหยั่งซึ่งในจิตใจของกันและกันตั้งหะที่เป็นหลักใหญ่และฉันรู้อุปนิสัยใจคอรู้รสนิยมและอุดมคติของเขาจึงกล้าพูดได้ว่าไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงเข้าไปจากฉันได้และฉันก็ไม่แคร์ด้วยว่าเระพินอาศเผอตัวมีอะไรบ้างกับแหม่มสองคนที่กลางป่าตามหลักของทีววิทยาและธรรมชาติของเพศแต่แก่นแท้ใจจริงแล้วย่อมจะต้องเป็นของฉันบันงยังค่ําชนิดที่อะไรจะมาพากไปได้นอกจากเขาจะตายแล้วเท่านั้นคุณอัมพล ครับผมคุณหญิงคนที่มีผมสีทองตาสีฟ้านิสัยเป็นยังไงบ้างค่อนข้างขรึมไว้ตัวและยะโสนิดๆลักษณะของหล่อนเหมือนภูเขาไฟที่ผิวนอกคลุมด้วยหิมะที่ผมเรียนตามตรงไม่มีอะไรปิดบงังและแม่ผมแดงที่เป็นหมอขี้เล่นมากครับเจ้าชู้ด้วยสิอเมริกันไปทั้งตัวเข้ากับคนง่ายเฟรนรี friendly, ่เปิดเผยเป็นหมอจริงๆหรือเปล่าหรือว่าปลอมโกหกทานะ เข้าใจว่าเป็นจริงครับเพราะมีเครื่องเวชภัณฑ์ไปครบแม้กระทั่งเครื่องมือผ่าตัดและถุงน้ำเกลือสําเร็จรูปถ้าหมอเก๋ก็คงไม่มีอุปกรณ์ในทางแพทย์ไปด้วยถึงขนาดนี้การสอบแทรกไล่เรียนต่อไปนี้เป็นของดารินตลอดภายหลังจากที่นิ่งซึมอะไรทําอะไรไม่ถูกมานานเชษฐาอนุชาและชายยันได้แต่นิ่งฟังเท่านั้นเอาละอย่างน้อยฉันก็โล่งอกไปเปาะหนึ่งขอให้แม่เบลนั่นเป็นหมอจริงๆเถอะและขอให้เขามีจรร ญ, ญาแพทย์อย่างแท้จริงประกอบด้วยความปราณีเป็นที่ตั้งด้วย รับพินของฉันมีโรคประจําตัวที่จะต้องพึ่งหมอในบางโอกาสเรื่องนี้คุณหญิงไม่ต้องห่วงหรอกครับถ้าหมอเบลไม่รักษาคุณรพินซึ่งเป็นมรคุเทศสําคัญที่สุดในการนําทางพวกเขาก็จะพินาศกันทั้งหมดคุณรับพินเป็นอะไรลงไปเสียคนเดียวพวกนั้นก็แย่ยกเว้นเจตแต่ว่าถ้าราพินนําไปพบระเบิดลูกนั้นเมื่อไรและกู้สําเร็จเมื่อไรก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมรอนถามมาโดยเร็วเริ่มออกเดินวนช้าๆไปรอบห้อง ไม่มีใครกล้าตอบคําถามหรือพูดกับบอนอย่างไรในข้อนี้นายสแตนลีย nice ์ว่าน้าคณะเป็นยังไงดารินเริ่มยิงคําถามเป็นจังหวะโดยทั่วๆไปก็เป็นสภาพบุรุษและเป็นผู้ใหญ่ดีมากครับมนุษยสัมพันธ์ก็ดีจิตวิทยาสูงมากแล้วในคิดละ่ะไอเจ้านันนักเลงโตโอหังมากครับแต่ผมไม่ห่วงเลยถ้าเดินป่ากับคุณลำพินแบบนี้แล้วก็อย่างเก่งก็อวดเบ่งไปไม่ได้เกินสองวันต่อจากนั้นก็คงกลายเป็นลูกแมวทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่า ในอาณาจักรใครน่ะใครไปอวดเก่งกับคุณรพินแกนได้ยังไงถ้าในป่าคนกรีต ก, ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งลูกชายท่านในผลที่ไปด้วยเป็นยังไงมัง่งรายนี้สบายมากครับเป็นคนหนุ่มใจถึงไหวพริบดีปล่ยคุณรพินแน่นอนถึงแม่ดูผัดผาดว่าจะเป็นกลุ่มของอเมริกันพวกนั้นสรุปอเมริกันทั้งสี่คนที่มีหน้าฉากเป็นนักวิชาการแขนงต่างๆนั่นนะเบื้องหลังคืออะไรแน่สายลับ CIA ไม่มีปัญหาให้คิดอะไรอีกเลยสปายตัวยอดยอดทั้งนั้นและขีความสามารถก็คือหน่วยคอมมานโดเราดีๆนี่เองอุปกรณ์ที่เอาติดตัวไปมีอะไรบ้างพอจะสืบรู้ไหมอย่างอื่นก็ช่างเถอะฉันหมายถึงอาวุธยุทภัณฑ์และเครื่องมือทางจารกรรมทุกคนใช้เอ6มิบแบบแบบหดฐานครับเครื่องกระสุนเหลือเฟือดูเหมือนจะมีระเบิดคว้างแบบสังหารและแบบทำลายที่มั่นไปด้วยวิทยุใหญ่สาหรับติดต่อกับศูนย์บังคับการ วิทยุมือถือขนาดเล็กที่จะติดต่อกันเองนอกจากนั้นจะมียุทธภัณฑ์อะไรอีกผมไม่ทราบเพราะปิดเป็นความลับเราไม่มีสิทธิ์เช็คเช็คเช็คตรวจดูทั้งหมดทุกอย่างจำพรระทั้งหมดลูกหาผ้าคู่สิบคนแบกกันหลังแอ่แต่ละคนของพวกนั้นแสดงถึงเคยผ่านงานผจญภัยหนั ก, นกๆและเดินป่ากันมาชํานาดีแล้วทั้งหมดไม่ใช่มือใหม่เลยเข้าใจอะไรต่ออะไรดีพอสมควรในเรื่องการรอนแรมในป่าจาฮารินหยุดชะงักหันกลับมาเผชิญทุกคน และทางด้านระพินกับคนของเขาทั้งหมดละ่ะคุณระพินกับพวกนั้นก็มีอุปกรณ์เหมือนอย่างมัคุเทธรรมดา น, นั่นแหละครับตัวแกเองใช้จุดสี่ห้าแปดวินของคุณชายเชษฐทาที่ให้ไว้ลูกน้องสี่คนใช้จุดสามเจ็ดห้าส่วนพวกลูกหาบก็ใช้ลูกซองเดียวบ้างแฝดบ้างสุดแต่ใครจะมีจะหาได้ทุกคนคิดอย่างน้อยไหมคะหม่อมราชวงศ์สาวหันไปถามพี่ชายและเพื่อนที่ฟังนิ่งกันอยู่แต่น้อยคิดยังไงเชษฐาอนุชาและชายยันถามย้อนมารากับนัดกันไว้ เราพิณอยู่ในฐานะเสียเปรียบเสียแล้วล่ะคะ่ะเขาและพวกเขาเป็นมัคคุเทศก์นำทางอาวุธที่ใช้เป็นเพียงอาวุธป้องกันตัวจากสัตว์แต่ฝ่ายนายจ้างอเมริกันทั้งหมดใช้อาวุธสงครามพวกนั้นสอเจตนาชัดว่าพร้อมเสมอที่จะฆ่าเขาเมื่อไหร่ก็ได้ทําไมพวกนั้นถึงได้ใช่ไรเฟิลล่าสัตว์อย่างเราพิณเขาคิดจะไปสู้รบกับใครในป่าลึกชนิดหลงสำรวจงั้นลึกยิงได้ถือเอ็มสิหกแล้วก็มีระเบิดมือไปด้วยใช่นั่นเป็นการเจาะเจตนาชัดชัยยันว่าน้ําเสียงเครียดกล้าว ในปาแล้วระพินกับพวกของเขาไม่มีวันเสียปเปรียบใครเลยแต่เขาก็ไม่ใช่คนโง่เชื่อแน่วนรู้ทันและคงจะต้องระวังเรื่องนี้อยู่ทุกฝีก้าวอเมริกันเพียงสีคนต่องให้เป็นพวกคอมมานโดมือแน่สักขนาดไหนมีอาวุธดียังไงลงเข้าป่าไปกับประพินแล้วผู้ที่จะเป็นลูกไก่ในกํามือคือพวกนั้นไม่ใช่พวกของระพินพอหลอกล่อเสียหน่อยเดียวเท่านั้นจะเอาไปหล่นเหวหรือเอาไปอดน้ําตายเสี้ยเมืไร่ก็ได้สิ่งที่จะต้องห่วงที่สุดก็คืออันตรายจากกำมันตภาพรังสีที่รุ่วออกมาถ้าคนพบตําแหน่งตกของระเบิดลููกกกกกกกนนนัันั้้บบอออองงงงําาาาาลทีี่่่มระเิดยหึ การเดินป่าในดินแดนอาทันรี้รับอย่างที่เราเคยผ่านกันมาแล้วโอกาสที่จะได้กลับมามันมีอยู่แค่จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นพูดกันตรงๆก็คือคณะนี้คณะนี้อาจเป็นคณะที่พากระหายสาบศูนไปทั้งชุดจะไม่มีใครโผล่กลับมาอีกเลยก็ได้ถ้างั้นก็มาช่วยกันลงความเห็นตัดสินใจกันเสี้ยเดี๋ยวนี้เลยว่าพวกเราจะดําเนินการกันยังไงน้อยอย่ามัวแต่เดินพลานอยู่อย่างนั้นมันไม่ช่วยอะไรขึ้นมาได้หรอกกลับมานั่งช่วยกันคิดพร้อมๆกันดีกว่ามันมีหนทางเลือกอยู่สองทางเท่านั้นคือหน ทำอย่างคนขลาดและเห็นแก่ตัวที่สุดคือรอฟังข่าวกลับคืนมาของเขาพร้อมทั้งสวดมนต์ภาวนาช่วยลึกสองร่วมชะตากรรมเดียวกับเขาเป็นอะไรเป็นกันออกตามเชษฐาวราริศพูดด้วยเสียงห้าวลึกของเขาหม่อมราชวงศ์สาวคนสวยยืนกอดอกนิ่งหันหลังให้แก่ทุกคนอีกครั้งโดยไม่ได้กลับมาร่วมวงด้วยพูดมาเบาๆอย่างคมขื่นว่าพี่ใหญ่พี่กลางชา ย, ยันและคุณอัมพลจะหาหรือหรือตัดสินใจกันยังไงก็เชิญเถิดคะ่ะ สำหรับน้อยขอตัวที่จะไม่ร่วมอะไรด้วยทั้งสิ้นไม่อยู่ในฐานะที่จะร่วมหาหรือด้วยได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ขอตัวก่อนนะคะน้อยปวดศีรษะเหลือเกินว่าแล้วหล่อนก็ออกเดินทําท่าจะขึ้นบันไดไปแต่ชายยันพรวดพ ร, ราดลุกขึ้นปราบไปสกัดหน้าไว้จูงมือเชิงบังคับให้มายัางโซฟายาวตัวหนึ่งริมห้องน้อยอยังไปไหนไม่ได้ทั้งสิ้นถ้าไม่สบายก็นอนพักตรงนี้ไปก่อนเอาละเธอนอนนิ่งๆอยู่ตรงนี้ก็ได้ดมแอมโมเนียนี่ไปพลางๆเพื่อนชายผู้รักสนิทเหมือนญาติ ส่งสมรีชุบแอมโมเนียให้แต่ดารินปัดมือเทไปทอดกายลงนอนบนโซฟามือทั้งสองประสานกันอยู่บนสวงอกหลับตานิ่งลงเหมือนจะสงบสติอารมณ์เชิดถาพยักหน้าให้ชายยันกลับมาร่วมโต๊ะด้วยอดีตนายทหารปืนใหญ่สหายร่วมตายจึงเดินกลับมาตามเดิมสุดตัวลงนั่งเอามือชี้ไปยังรูปของคริสติน่าและอิสซาเบลที่ดารินโยนไว้บนโต๊ะเหมือนจะไม่แยแสและบุยปากไปทางดารินกระซิบเบาที่สุดว่า คิดมากแต่ปากแข็งแต่ให้ตายเถอะฉันสงสารน้อยแล้วเกินเชิดท้าอมือโบกถึงให้ใชายยันหุบ ป, ปากในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเสียแล้วเอ่ยขึ้นกับทุกคนที่ร่วมวงกันอยู่ว่าว่ากันถึงเราสามคนนี่เถอเอายังไงถ้าไม่ลังเกียจอัมพลพูดขึ้นอย่างหนักแน่นจริงจังกรุณาขอให้ผมได้มีส่วนร่วมออกความเห็นในที่ประชุมนี้ด้วยสักคนหนึ่งเถิดครับเรานั่งกันอยู่สี่คนไม่ใช่สามคนเฉพาะพวกท่านเท่านั้นทางนี้เราตัดคุณหญิงออกไปเสียก่อน อนุชาเอื้อมมือมาตบปลายของบุรุษวัยสูงอายุอันเป็นที่มาของกระแสขาเอาตกลงคุณำพุเรารับคุณเข้าในที่ประชุมด้วยข อ, อองคบริษัทส่ทงสัตว์ออกนอกประเทศยิ้มออกมาได้อย่างมีกำลังใจกระปรีก่กระเปร่าออขึ้นขอบพระคุณครับที่กรุณาให้เกียรติผมขอทุกท่านได้โปรโดทราบล่วงหน้าเลยว่าในกรณีที่เกี่ยวกับคุณรพินในครั้งนี้แล้วเอาอยัางไงเอากันผมเอาด้วยคนถึงแม้จะแลกกันด้วยชีวิตก็ตามสำหรับคุณคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ให้การประสานงานร่วมมือก็นับว่าคุณช่วยเราอย่างมากแล้ว คุณชายใหญ่พูดแล้วพยักหน้าไปทางน้องชายอา้าวนายชดประชากรท่าในให้โอกาสนายนายพูดด้แสดงความคิดเห็นเป็นอันดับแรกผมขอพูดสั้นๆเท่านั้นครับพี่ใหญ่ถ้าไม่มีระพินไพรวันแค่คนเดียวนายชดประชากรก็คงจะหายสาบสูญไปจากโลกนี้แล้วคงไม่มีอนุชาวราริศกลับคืนมาสู่เนาะมาสู่วงตระกูลให้โลกภายนอกได้เห็นอีกกล่าวจบอนุชาก็เอาแก้วรันดีที่ถือแกว่งแรงๆอยู่ในมือศาสตร์เข้าปาเชิดาชี้ไปที่ชายยันแก้วลชายยัน ชีวิตชั้นตายแล้วหลายครั้งในป่าและเกิดใหม่หลายครั้งในป่าอีกเหมือนกันโดยระพินเป็นคนช่วยให้เกิดจนกระทั่งชั้นได้เมียและได้ลูกชายที่น่ารักอดีตนายทหารปืนใหญ่เมียแหม่มผู้เพิ่งจะได้ลูกชายชื่อไพลวันเมื่อบายนี้เองพูดสั้นดีเหมือนกันเชิดท้าพยักหน้าหันไปมองดูนายอัมพลสําหรับผมผมรักคุณระพินเสมอญาติสนิทคนหนึ่งจะให้ผมแลกกับอะไรก็ได้ขอเพียงให้แกได้กลับคืนมาเร็วที่สุดเท่านั้น ส่วนผมไม่ต้องพูดอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างพวกเราทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วตลอดระยะเวลาที่เราร่วมเดินทางกันในคราวนั้นเอาละ่ะผลสรุปออกมาแล้วว่าเขาระพินไพรวนันคนนั้นมีค่าสําหรับทุกคนมากที่สุดคราวนี้ขอผลตัดสินต่อให้มีผมเพียงคนเดียวปืนกระบอกเพียงผมก็จะตามเขาครับพี่ใหญ่อนุชาพูดังหนักในลําคอสําหรับฉันต่อให้ลูกเพิ่งคลอดเมียยังนอนอยู่บนเตียงฉันก็ตัดสินใจว่าตามเหมือนกันเป็นอะไรเป็นกันชายันยืนยั น, ยนมาอย่างไม่มีการลังเลใดๆทั้งสิน้นคราวนี้ขอให้ผมพูดบ้างแนพนพลยกมือขึ้น ณอายุผมจะมากแล้วเกิดมาก็ไม่เคยกรากลรำอะไรนะักถ้าท่านเมรังเกตผมผมก็ขอติดตามไปด้วยคนก็เป็นผลสรุปสุดท้ายออกมาแล้วนะว่าเราต้องตามเทศถาอันเปรียบเสมือนประธานของที่ประชุมเน้นเสียงมองกราดไปยังทุกคนอนุชา ย, ยักไหลไม่ต้องอาศัยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อะไรให้มันเสียเวลาผลมันแน่ชัดอยู่แล้วพี่ใหญ่ของตระกูลก็ลุกขึ้นทันทีนั้นเดินช้าๆตรงไปยังน้องสาวเล็กที่ยังนอนหลับตานิน่งอยู่นั่งหลงรายกาแล้วเอามือไปจับมือทั้งสอ ง, ท, ง, สองที่ประสานเหมือนเทพ เหมือนพนมกันอยู่บนซองอกด้วยอาการสัมผัสอ่น อ, อนๆโยนปราณีน้อยความเห็นของเราทุกคนออกมาแล้วตกลงใจาตามกันทั้งนั้นความเห็นของน้อยละ่ะทั้งๆที่ยังหลับตาอยู่รอนตอบเบาที่สุดน้อยไม่มีความเห็นค่ะฟังพี่นะน้อยพวกเราสี่คนที่นั่งประชุมกันอยู่นี่ได้ลงความเห็นเช่นนี้ไม่ได้กระทําออกมาเพราะเสียแซงเพื่อที่จะเอาใจน้อยและขอให้รู้ด้วยว่าการที่เราตัดสินใจตามชายคนนั้นไม่ใช่ตามเพราะเขาเป็นคนที่น้อยรักและห่วงถึงแต่เราตามเพราะก็เป็นเพื่อนตายของเรา ตามเพราะสำนึกในบุญคุณในข้อที่ว่าช่วยชีวิตของพวกเราทุกคนที่รอดมาได้ก็เพราะเขาเท่านั้นประพินไม่ได้มีค่าสำหรับน้อยเพียงคนเดียวแต่มีค่าสูงสุดสำหรับพวกเราทุกคนที่นั่งรวมกันอยู่ในนี้เราไม่ประวัตหรือเกรงเกรงอะไรทั้งสิ้นแม้จะมองเห็นชัดๆว่าความพินาศความตายอาจรอเราอยู่ข้างหน้าเราก็พร้อมที่จะเดินเข้าไปหาถ้าหากมันอยู่ในความหมายข้อที่ว่าเราไปเพื่อติดตามช่วยเหลือเขาความหวังนั้นไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่เราต้องการและต้องทำอยู่ในขณะ น, นี้มีอยู่ประตูเดียวเท่านั้นคือตาม ดวงตาของคู่นั้นค่อยๆลืมพร้อมกับประกายที่แจ่มใสขึ้นยิ้มฝืนๆถ้าน้อยไม่ไปด้วยจะได้ไหมคะนั่นก็ยิ่งดีใหญ่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกพี่ๆและเพื่อนดีกว่าพี่ก็คิดเหมือนกันว่าน้อยควรจะอยู่ดูแลทรัพสมบัติถ้าหากพี่และกลางไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกแล้วเมื่อนั้นเองว่าดารินมราได้จึงดึงกายขึ้นนั่นงแข็งแรงขึ้นในฉับพลันทุกคนพูดด้วยความจริงใจหรือเปล่าคะราสกุลสาประกาศดังๆ ทำไมจะต้องถามตัวเองก็รู้แม้กระทั่งคุณอณัมพลที่นั่งหน้าแป้นอยู่นี่ขนาดคุณอณัมพลยังกล้าที่จะเสี่ยงชีวิตตามด้วยเช่นนี้สัมผัสอะไรกับฉันกลางหรือเชิดาช ย, ยันกระซากกระชากเสียงมาห้วนห้วดารินน้ำตาคลออีกครั้งรลอนไม่พูดอะไรอีกทั้งสิน้นนมมือกราบที่อกพี่ชายใหญ่เดินช้าๆตรงเข้ามาจูบแก้มพี่ชายกลางต่อไปก็เดินไปจูบหน้าผากชา ย, ยันคนสุดท้ายคือนายอัมพลหลอนเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าส่งมือไปให้จับพร้อมทั้งบีบกระชับแน่นโปรดมาร่วมหารือกับเราเถิดครับคุณหญิง พ อ, ออกอรบริษัทไทยไวายไลฟ์เอ่ยขึ้นเบาๆพร้อมกับยิ้มให้เมื่อนั้นดารินประราดิจึงหย่อนกายลงบนเก้าอี้ร่วมบงด้วยเชิดเาเดินกลับเข้ามาประจำที่เดิมราชสกุลสาวเรเริ่มรินปรนันดีให้ตัวเองรอนดืมรวดเดียวครึ่งแก้วขอบคุณขอขอบคุณทุกคนที่ยังมีความรู้สึกว่าประพินไพรวันเป็นเพื่อนตายที่มีค่าที่สุดตกลงค่ะน้อยไปด้วยไปตามเพื่อนตายผู้ซื่งสัตว์สุดเจริญที่สุดและเคยมีบุญคุณต่อชีวิตของเราที่สุดไม่ใช่ไปตามผู้ชายที่น้อยรัก ผู้รักนั้นจะเลิกรักกันเมื่อไหร่ก็ได้แต่เพื่อนตายนั้นไม่มีวันที่เราจะทอดทิ้งกันได้สาหรับการวางแผนขอให้เป็นหน้าที่ของพี่ใหญ่เถิดค่ะก่อนการวางแผนอะไรทั้งสิ้นฉันขอสิทธิ์ในการเสนอแนะในที่ประชุมห้าคนของเรานี่หน่อยได้ไั้มมันเป็นขั้นต้นทีเดียวก่อนจะก้าไปถึงขั้นอื่นพี่ชายใหญ่ของตระกูลกล่าวกับทุกคนที่ฟังอยู่ว่ามาชา ย, ยันพยักหน้าฟังให้รอบครอบนะแล้วก็อย่าเข้าใจผิด ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันพูดนี่จะวางรากฐานอยู่บนเหตุผลในบรรดาพวกเราห้าคนที่ร่วมประชุมลงความเห็นแล้วว่าจะออกตามรพินและทุกคนที่พร้อมจะเสี่ยงชีวิตร่วมกันแล้วฉันขออนุญาตคัดออกสองคนชา ย, ยานขมวดคิ้วชักหน้าเสียอะไรกันหมายความว่ายังไงสองคนที่จะคัดออกคือใครอย่างไม่อ้อมคอมเชิฐถาชีวไปที่นายอัมพลคนที่หนึ่งและชา ย, ยานคนที่สองเฮ้ย <"He i, S 2> อะไรกันนี่เหตุผลชา ย, ยันตะโกนลั่นห้องแทบจะเพ่นพรวดขึ้นยืนเอาเหตุผลทางด้านคุณอัมพลก่อน เราพูดกันตรงๆเลยหนึ่งวัยและประสบการณ์ไม่ถึงจะลำบากไปตายเสียเปล่าๆรวมทั้งเป็นภาระให้พวกเราด้วย2ถึงแม้ว่าคุณนำพลจะรักและห่วงระพินไม่น้อยไปกว่าพวกเราทั้งหลายแต่ก็มีทางที่จะช่วยเหลือในด้านอื่นที่ดีกว่าลำบากออกตามเป็นต้นว่าช่วยตระเตรียมแผนการเพื่อความสะดวกในการเดินทางให้ข่าวที่ถูกต้องเท่านั้นก็นับว่าทําประโยชน์ให้มากที่สุดแล้ว3คุณนำพลจะต้องอยู่เพื่อเป็นพยานบุคคลเพื่อจัดการผลประโยชน์อื่นๆให้แก่ระพินและพวกลูกค่ะที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วตามพันธะที่ให้ไว้กับระพิน ถ้าไปตายซะอีกคนใครจะจัดการดูแลในเรื่องนี้ทั้งสามข้อนี่คุณอำพลมีอะไรจะโต้แย้งไหมอำพลพรากรนั่งคอแข็งกรอกตาพูดอะไรไม่ออกเพราะเหตุผลและความจริงที่เขาได้โต้ที่ทเขาจะโต้เถียงขัดแยง้งใดๆไม่ได้เลยเชิฐาสีหน้าเครียดจริงจังภายในห้องเงียบไปชัว่วขณะเขาพยักหน้าถามอีกว่าคุณมีอะไรจะโต้แยง้งก็ลองว่ามาผมรับฟังเสมอถ้าเหตุผลคุณดีกับผมผมก็ยอมให้คุณไปด้วยไม่ครับผมไม่มีเหตุผลอะไรจะมาโต้แยง้งคุณชายได้เลยที่คุณชายพูดมามันก็จริงทุกอย่างแต่ผมก็อยากไปด้วย คุณรู้ตัวแล้วนะว่าคุณต้องถอนตัวไม่ใช่เพราะพวกเราลังเกียจแต่คุณมีหน้าที่จําเป็นจะต้องทําเกี่ยวกับระพินและทําให้พวกเราด้วยครับผมเสียงเดอมพลแผ่วเบาที่สุดรู้สึกว่าเขาจะผิดหวังมากแต่ก็ต้องจํำนนเอาละคราวนี้ทางด้านแกไม่ต้องทําหน้าเป็นเจ้าโจโถอย่างนั้นหรอกชัยยันหัวหน้าคณะโบกเทือกเพื่อกภาษีวะในสมัยหนึ่งซึ่งจะกลับมาเป็นหัวหน้าคณะติดตามราพินพลายวันไปอีกครั้งหันชี้มือทางชัยันซึ่งเบิกตาทะมึงถึงก่อนแล้วข้อที่หนึ่ง แกเพิ่งจะเป็นพ่อของเด็กที่เพิ่งเกิดเพียงวันเดียวจงอยู่เป็นพ่อมันต่อไปอย่าให้เด็กกำพร้าเสียตั้งใจยังแบบบอกข้อที่สองเมียของแกก็ยังนอนอยู่บนเตียงเพราะคลอดลูกชีวิตครอบครัวกำลังอบอุ่นไม่มีความจำเป็นอย่างใดที่จะต้องพัดรากจากกันไปเสียข้อที่สแกเป็นเพื่อนที่เปรียบเสมือนญาติสนิทของเราการเดินทางของเราในครั้งนี้เราจำเป็นต้องทำพินัยกรรมเหมือนกันเพราะไม่แน่ว่าจะกลับมาอีกหรือไม่หน้าที่ของแกก็คือจะต้องเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของเราระหว่างที่เราไม่อยู่ และจัดการให้เป็นไปตามพี่นายรำหากเราไม่กลับมากันอีกแล้วชายันสะบัดหัวโดยแรงขอโต้แยง้งว่ามาแต่ต้องด้วยเหตุผลนะเดี๋ยวก่อนเดี้ยวเดี้ยวเดี้ยวก่อนที่ฉันจะแสดงเหตุผลโต้ยแย้งแกก็มองเห็นชัดออกมาแล้วว่าแกจะไปกันตามลําพังสามคนพี่น้องเท่านั้นเองหรือเชิดถายยิ้มกล้าน่นเกรียมแต่มั่นคงเด็ดเดียว ก, กางแขนออกโอบกาะอนุชาไว้ข้างหนึ่งและดารินอีกข้างหนึ่งใช่เฉพาะเราสามคนพี่น้องเท่านั้นพี่ชายสองน้องสาวหนึ่ง อดีตนายทหารปืนใหญ่เพื่อนน้ำมิดจุปากลั่นเกาหัวกลากรากนี่นี่น้อยกับกบลางเห็นด้วยหรือเปล่าที่เชษฐาพูดนี่นะ่ะเห็นด้วยนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดทั้งอนุชาและดารินกล่าวมาเป็นประโยคเดียวและพร้อมกันราวกับนัดกันไว้โว้ยชายยานันโวยลั่นห้องขึ้นตามนิสัยหน้าแดงกลำ่ำชายยานันถ้าแกมีเหตุผลที่โต้แย้งกับพี่ใหญ่ก็ว่ามาหมอ่อมราชวงศ์อนุชาบอกมาฉันก็แย้งเชษฐาได้ทุกข้อนั่นแหละว่าข้อที่หนึ่งถึงฉันจะเพิ่งเป็นพ่อ ข, ของเด็กที่เกิดเพียงวันเดียว และอาจไม่ได้กลับมาให้มันเห็นหน้าอีกแล้วก็ช่างมันไปแหละมันปลอดภัยอยู่กับแม่มาแล้วและโตขึ้นมันก็จะภูมิใจว่าพ่อของมันไม่ทิ้งเพื่อนมีเลือดนักสู้ทุกหยดถึงพ่อจะตายไปก็ตายเพราะไปช่วยเหลือเพื่อนผู้มีส่วนช่วยให้มันเกิดขึ้นมาได้กลางป่านั่นแหละแม้แต่ชื่อของมันเองก็ยังเป็นชื่อจากสกุลของคนคนนั้นข้อที่สองเนียนอนอยู่บนเตียงก็จริงครบกำหนดก็ออกจากเตียงได้เมีย น, น่ะทิ้งได้โว้ยเพราะทิ้งอย่างไงเขาก็มีความสุขแล้วแต่เพื่อนแท้เพื่อนตายที่กำลังลาบากทิ้งไม่ได้เเเพพพื่่่่อนนนนนนใททีี้้ไมไมมดหาาาายคคววฉะริั มันหมายถึงแก่สามคนด้วยเข้าใจข้อที่สามที่แกบอกว่าจะให้ฉันเป็นผู้ดูแลทรัพย์มรดกของแกในการที่พวกแกอาไม่ได้กลมาอีกนั้นก็ไม่เห็นจําเป็นญาติพี่น้องทนายประจําตระกูลผู้ที่จะสืบทอดมรดกผู้ที่อยู่อีกหลายคนจะแต่งตั้งใครก็ย่อมได้ทําไมถึงจะต้องมาสืบเป็นฉันด้วยนี่คือข้อแย้งของฉันคุ ณ, ณําพลเห็นด้วยไหมประโยคหลังชา ย, ยันหันไปหาเสียงกับนายนำพล ร, รุูวัยสูงยกมือขึ้นอย่างไม่ลังเลครับผมเห็นด้วยคุณชา ย, ยันร้อยเปอร์เซ็น์แม้ว่า ตัวผมเองจะถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วคุณชายยันก็ไม่ควรจะต้องถูกตัดสิทธิ์ข้อนี้ด้วยเอาละมีเสียงสนับสนุนหนึ่งเสียงแล้วเชิดทาว่านั่นเป็นมองน้องชายกับน้องสาวเหมือนจะถามอนุชาถอนใจยาและยกมือขึ้นอีกคนผมอีกหนึ่งครับที่เห็นด้วยชายยันควรจะมีสิทธิ์ที่จะตามเราพิมน้อยละ่ะดารินสันชิษะน้อยสงสารเม ก, กับไพรวันตัวกระจ้ะร่อ ย, อยที่น้อยทำคลอดด้วยมือเองค่ะชายยันควรจะต้องอยู่เอาแล้วกันโว้ยเพื่อนชายอุทานสีหน้ายุ่ยี่ไม่พอใจอย่างยิ่งเชิดายกมือขึ้นบ้างแต่ประท้วง ฉันก็มีความเห็นเหมือนน้อยเหมือนกันชัยยานเป็นอันว่าเรื่องนี้แกจะไปด้วยได้หรือมือได้หรือไม่หาข้อยุติยังไม่ได้นะเพราะสองเสียงเสมอการกลางกับคุณอัมพลสนับสนุนแกฉันกับน้อยปฏิเสธคัดค้านมันจะต้องมีอีกสักคนที่เข้ามาทําหน้าที่ตัดสินในเรื่องนี้และคนคนนั้นก็เป็นคนเดียวที่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินได้เต็มที่ด้วยคนคนนั้นเป็นใครแกรู้ไหมฉันจะไปตัดสรุปได้ยังไงว่าใครจะตัดสินได้และคนคนนั้นสําคัญยังไงชัยยันพูดเกลี้ยวกราดฟืดฟาดเต็มที่ สำคัญสิสำคัญมากที่สุดเมียกัเองยังไงล่ะมาเรียอนันไตรเรื่องขี้ผงเลยเอาให้รู้เดินออกไปเดี๋ยวนี้ฉันจะโทรศัพท์บอกเมียเดี๋ยวนี้แหละผู้ที่ถูกประท้วงพูดเร็วปือกระโดดขึ้นยืนพุ่งปราไปที่โทรศัพท์จารินไวทันเหมือนกันรอนพูดตามวิ่งสกัดและจะคุกมือเพื่อนชายไว้ได้ก่อนที่จะทันยกหูยังไม่ใช่เวลานี้ชายยันจะบ้าหรือยังไงนะตอนนี้เมียยังคงนอนหลับอยู่กับลูกด้วยความอ่อนเพลียเธอจะโทรไปรบกวนเพราอย่างนั้นนะ่ะหรือบอกแล้วว่าเรื่องขี้ผงชายยันพูดกับจะเป็นตวาดหน้าแดงจ เรื่องร้ายมันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเมย์ก็สมควรจะต้องรับรู้ไว้เดี๋ยวนี้แหละแต่อีกแค่คลอดลูกอ่อนเพียแค่ไหนอีกกับการที่เพื่อนตายคนนึงหายหัวเข้าไปในป่าโดยไม่รู้อานาคตเมย์ไม่ใช่คนเปราะนักหรอกรับรองว่าเขาไม่ถึงกับช็อกหมดสติอย่างเธอเหมือนตะกี้นี้ทันทีที่รู้ข่าวหรอกบอกว่ายังไม่ให้โทรศัพท์ไปรบกวนเมย์ตอนนี้พูดไม่เชื่อกันหรือ ย, อยังไงจารินตะหวาดบ้างเสียงร่อนดังกว่าชายันเสียอีกขวางหน้าไว้แล้วผลัก อ, กอกเพื่อนชายพัง้าออกไปตัวเองก็ยังบังโต๊ะโทรศัพท์ไว้ ทันทีนั้นเองระหว่งที่เพื่อนหนุ่มสาวสนิทสนมกันมาแต่น้อยร่วมเป็นร่วมตายกันมายัางโชคชนจนดูเหมือนพี่น้องมีลักษณะอาการเหมือนจะทุ่มเถียงทะเลาะกันโทรศัพท์เครื่องนั้นก็ดังเรียกขึ้นเป็นจังหวะทุกคนในห้องเกือบสะดุ้งและประหลาดใจไปตามๆกันเอ๊ะโทรศัพท์จะใครดืดเดินป่านี้แล้วอนุชาอุทานขึ้นดารินหันขวับไปคว้าขึ้นมาทันทีแล้วหล่อนล้องตื่นแต้นว่าเมยเธอรึเชิดาอนุชาลุกยืนพร้อมกันยกเว้นแอมพลนองพี่น้องร่าสกุลรู้กันเข้ามาที่รุมล้อมที่โตทรนนีก็ดาาาา้มหตื่น เมรเลือเกิดอะไรขึ้นถึงได้โทรเรียกมากลางดึกอย่างนี้พี่ชายใหญ่ถามขึ้นดารินก็รีบยกมือเป็นความหมายให้ทุกคนเงียบสงบแล้วจี้ไปที่เครื่องพ่วงอีกเครื่องหนึ่งชายันกระโดดเข้าไปรับทันทีฟังพร้อมกันไปด้วยในขณะที่อนุชายืนอยู่ข้างดาวรินแเชิดาไปยืนประกบชิดอยู่กับชายันทุกคนเต็มไปด้วยความชโงนดปวดร้อนใจเพราะไม่แน่ใจอะไรเกิดขึ้นกับมาเรียผู้ซึ่งเพิ่งจะคลอดบุตรเมื่อบ่ายนี้น้อยยังไม่นอนอีกหรือเสียงของอดีตแม่พรานสาวเลือดผสมเยอรมันฝรั่งเศสนักพจนภัยหญิงตัวฉกาดัังสชดเจน แสดงว่าสุขภาพดีเยี่ยมแต่กลางวานของหางเสียงนั้นดูจะตื่นเต้นรุกรนพิกลอยู่ดารินฝืนทำเป็นหัวราะร่าเริงแจ่มใสแล้วถามว่าฉันยังไม่นอนหรอกแล้วมันอะไรกันนี่ตอนนี้เป็นเวลาเธอควรจะพักผ่อนหมาวุ่นวายกับการโทรศัพท์ทําไมเป็นยังไงมั่งน้อยเสียงของมาเรีตะกุกตะ ก, กักอ่ำอึ้งอึงเดี๋ยวนี้หล่อนพูดไทยชนิดพอใช้ได้ทีเดียวอย่าว่าอะไรฉันเลยนะขณะนี้ฉันก็นอนอยู่บนเตียงสําหรับลูกเมื่อตอนสามทุ่มพยาบาลอุ้มเข้ามาให้กินนมฉันเป็นครั้งแรก แล้วก็แยกเอาไปเก็บไว้ในห้องเด็กอ่อนแล้วฉันนอนอยู่คนเดียวแล้วก็หลับสนิทดีมากแต่มันยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกทำไมเป็นยังไงบอกมาสิดารินถามเร็วปรือฉันฝันแปลกมากน้อยรู้สึกว่าจะเป็นความฝันที่ไม่ดีเลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้เองฉันตัดสินใจเรียกชา ย, ยันไปที่บ้านทางบ้านเขาก็บอกว่าชา ย, ยันไปคุยกับพี่ใหญ่และพี่กลางที่บ้านเธอก็อเลยลองเสียงเรียกมางั้นเองพอดีเธอเป็นคนรับสายชา ย, ยันอยู่นั่นหรือเปล่าผมอยู่นี่ที่รักเรากําลังคุยกันอยู่ แะอยู่กันครบหน้าพร้อมทีเดียวเกิดอะไรขึ้นหรือประเดี๋ยวกลับจากที่นี่ผมจะแวะไปหาคุณชยยายันทูดแทรกขึ้นทันทีและกำลังจะพูดอะไรมากกว่านั้นแต่เช่ทาสกิทห้ามไม่เช่ก่อนชยยายันฉันรักคุณค่ะและดีใจที่ขณะ น, นี้คุณอยู่ในกลุ่มของพวกเราไม่ได้เตะไปไหนโทรไปที่บ้านไม่พบตัวครั้งแรกตกใจเสียงของมาเรียบอกสามีมากังวานสายเหมือนเสียงไฮไฟเช่นเดินจะมีกระแสเหนื่อยหอบหอบและตนกเรนรับทําตัวให้สบายยอดรักท่าทางคุณตื่นสนกอะไรบางอย่างคุยกับน้อยก่อนนะ ผมถือหูอีกอยู่อีกเครื่องนึงจะฟังอยู่ด้วยว่าแล้วชา ย, ยันก็พยักหน้ากับดารินเป็นความหมายให้พูดเมเธอฝันอะไรถึงได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ตกตกใจโทรศัพท์เรียกหาชา ย, ยันวุ่นไปหมดอย่างนี้ฉันฉันฝันเห็นแง่ท า, ายเห็นอย่างชัดเจนที่สุดมายืนอยู่ที่ปลายตเตียงเตียงฉันตรงที่นอนอยู่เดี๋ยวนี้แหละฝันเห็นแง่ท า, ายดารินอุทานลั่นห้องใช่แ ง, ง่ทรายแน่แน่ไม่ใช่จักรลาดภาพความฝันที่เห็นเป็นภาพของแง่ท า, ายในชุดพระ ในชุดภาพของแง่ทรายในชุดพรานกระเรียงสมัยที่ยังเป็นลูกหาบของเรานั่นแหละแล้วยังไงเล่าให้ละเอียดสิราชสุขุลสาวถามเร็วปรือหน้าตาตื่นไปหมดมันเป็นภาพฝันที่มหัศจรรย์ที่สุดชนิดที่เกิดมาฉันไม่เคยพบมาก่อนเลยเพราะมันชัดเจนสดใสเหมือนภาพยนตร์ที่ฉายจากจอฉันจําภาพและคําพูดของเขาได้ทุกคําในฝันนั้นฉันก็ยังยอนนอนอยู่ในห้องที่เปิดไฟสว่างพอสมควรและบนเตียงตัวนี้แหละประตูห้องได้เปิดออกอย่างไม่มีเสียง ฉันเหลือไปครั้งแรกเข้าใจว่าเป็นหมอหรือพยาบาลเข้ามาตรวจเยี่ยมอาการแต่ปรากฏว่ากลายเป็นหนุ่มร่างสูงใหญ่จางงามคนหนึ่งในชุดเสื้อกางเกงสีดําแบบพวกเกรี่ยงพวกผ้าแดงที่หัวสะพายลายเฟิร์คานเบี่ยงเห็นแว บ, บเดียวฉันก็จําได้ร้องทักออกไปว่าแงซใจพยายามจะลุกขึ้นแต่ร่างกายหนักอึ้งไปหมดไม่อาจ ข, ขยับขยี้ื่อนได้สีหน้าของเขาวางเฉยที่สุดเดินช้าช้าเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงปลายเตียงฉันตรงนี้เองและเอ่ยขึ้นด้วยเสียงทุ่มลึกของเขาแว่วอยู่ในสองหูชนิดที่ฉันจําได้หมดทุกประโยคว่า นายแม่มขณะนี้ผู้กองระพินกำลังทุกข์ยากและมีอันตรายอยู่กลางป่าลึกพูดสั้นๆเพียงแค่นี้แงาซายก็ถอยหลังเปิดประตูห้องหายลับออกไปฉันจะทันผู้รู้ลองเรียกทัเขาฉันรู้สึกว่าฉันได้ดิ้นรนกรับสปสายอยู่พักใหญ่ก่อนที่จะลืมตาขึ้นมาได้ภายในห้องของฉันเป็นปกติดีทุกอย่างไม่มีวี่แววของอะไรเลยทั้งสิ้นฉันกดกริ่งเรียกพยาบาลเข้ามาสอบถามว่ามีใครเข้ามาในห้องฉันเมื่อตะกี้พยาบาลยืนยันว่าห้องทํางานของพวกเขาอยู่ตรงประตูห้องของฉัน ใครจะเข้าออกต้องเห็นทั้งนั้นทุกคนยืนยันว่าไม่มีใครเข้าไปในห้องของฉันเลยฉันจึงเพิ่งจะรู้ว่านั่นมันเป็นความฝันแต่น้อยฝันแบบนี้มันไม่ดีเลยฉันนอนไม่หลับเลยต้องโทรศัพท์ไปหาชายยันแล้วเสียงโทรมาที่นี่ขณะนี้ฉันเหงื่อแตกไปหมดทั้งตัวไม่ว่าแอร์ห้องนี้จะเย็นจัดก็ตามเสียงมาเรียพูดออกมาอย่างกระหืดกระหอบรวดเร็วจารินวราทิตตะลึงหน้าที่เาวเพืออยู่แล้วบัดนี้ปราศจากโลหิตริมฝีปากหมุบหนิบพึ่มพำออกมาว่า พระพุทธคุณช่วยแล้วก็นิ่งจังงังชายยันนั้นได้ยินเสียงเมียพูดเล่าอยู่ตลอดเวลาก็อ้าปากค้างหน้าเลิกลักไปเช่นกันน้อยเธอได้ยินฉันพูดหรือเปล่าทำไมถึงเงียบหายไปเสียงมาเรียร้องถามซ้ําๆมาอีกเพราะทางด้านฝ่ายนี้ไม่มีใครพูดเลยดารินนั้นไม่พูดอะไรอีกแล้วยักหน้าให้ชายยันทําหน้าที่พูดกับพัญญาของตัวเองส่วนตนนั้นวางหูลงซุดกายอย่างหมดเรี่ยวแรงบนเก้าอี้มือทั้งสองรูปอยู่ที่ใบหน้า อนุชาผู้อยู่ใกล้น้องเขย่าวไล่ถามว่ามาเรียรพูดอะไรมาให้ฟังยืดยาวหล่อนสันชี้สะช้าเชิงไม่ต้องการบอกอะไรทั้งสิ้นแล้วชี้บุยชี้ใบให้ไปรับฟังจากหูโทรศัพท์ที่หล่อนวางไปแล้วขึ้นสอบซักกันเองอนุชาก็คว้าหูขึ้นมาทันทีบัดนี้หล่อนทําอะไรไม่ถูกสมองหมุนตื้อไปหมดรู้สึกจะเพียงว่าภายในห้องนั้นสามีกับพญญากําลังพูดกันทางโทรศัพท์ มีพี่ชายทั้งสองของหล่อนเข้าร่วมพูดอยู่ด้วยแนมผลก็ได้แต่นั่งอปาปาก้างโดยฟังไม่รู้เรื่องอะไรแจ่มชัดนะักมองหน้าคนโน้นทีคนนั้นทีตัวหล่อนเองนั่งซึมเฉยมันอะไรกันนี่แงซ้ายเข้ามาบอกหล่อนกันแล้วก่อนแล้วในความฝันตั้งแต่เมื่อคืนครั้งแล้วหยกหยกนี้เองก็เข้าไปอยู่ในความฝันของมาเรียซึ่งยังนอนทักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลข้อความตรงมันทุกอย่างนั่นก็คือระพินไพรวันกําลังตกระกรรมลบากทุกยากแสนสาหัสอยู่กลางใค ร, รและกําลังอยู่ในระหว่างอันตราย และเหตุการณ์ข้อเท็จจริงมันก็บ่งชัดอยู่แล้วโดยการสา ร, รภาพเล่าความจริงทั้งหมดจากปากคําของแหนพนในข้อที่ว่าขณนะ น, นี้สุภาพบุรุษไพรคนนั้นมีภารกิจด่วนฉุกเฉินที่จะต้องออกเดินป่าไปไม่ทราบอนาคตแน่นอนเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าใดไม่ทราบได้ที่ดารินนั่งเหมือนคนไร้สติเช่นนั้นสําหรับแหน่พลนั้นจากการนั่งสังเกตจับฟังอยู่ก็พอจะทราบว่าทางด้านฝ่ายนี้ได้เล่าความจริงอะไรให้มาเรียอ น, นันต์ไตรทราบเป็นเล่าๆบ้างแล้ว ชยยายันนั่นเป็นคําพูดของอดีตพรานสาวรูปงามผู้ยิ่งใหญ่จงบอกพี่ใหญ่พี่กลางน้อยและคุณอัมพลว่าขอเชิญทุกคนมาที่ห้องของฉันเดี๋ยวนี้เพื่อขอฟังรายละเอียดพร้อมกันให้หมดหน้าทุกทั้งหมดใครอย่าได้ไปติเสธเป็นอันขาดฉันไม่รับฟังเหตุผลใดๆทั้งสิน้นถ้าคนใดคนหนึ่งที่ประชุมกันอยู่ในบ้านขณะนี้ไม่ย้ายมาประชุมให้ฉันรู้เรื่องเดี๋ยวนี้แล้วก็ฉันจะลุกขึ้นจากเตียงเดี๋ยวนี้และจะเป็นฝ่ายไปที่นั่นเองทุกคนรู้นิสัยมาเรียฮอฟมันอันนันไตรที่อยู่ดีอยู่แ่แแแลล้้วะะนนนใกรณีี หลอนย่อมมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะได้รับ ร, รู้อะไรไว้ด้วยในฐานะที่เป็นบุคคลชั้นเสนาธิการผู้หนึ่งที่เคยบุกเทือกพระศิวะร่วมเป็นร่วมตายมาแล้วในทุกสภาวะคำพูดของมาเรียมไม่ใช่คำขู่แต่เป็นการอ้อนวอนขอร้องถ้าหากใครคัดค้านหรือปฏิเสธอันหมายความว่าจะให้หลอนสงบจิตนอนพักอยู่บนเตียงตามลาพังทั้งๆ ท, ท, ท, ท, ท, ที่พอระแคระคายอะไรบ้างแล้วเช่นนี้ประเดี๋ยวแม่ก็ถอล่างมาจริงๆเท่านั้น จึงตกเป็นหน้าที่ของสามีคือชายยันที่จะต้องยกมือกราบบ่ายเชิดทาอนุชาเพื่อเห็นแก่เมียและเมื่อสองพี่น้องแห่งราชสกุลมองไม่เห็นทางเลี่ยงอย่างใดตารินเก๋ก็ไม่เป็นปัญหาขนาดนี้ใครจะลากหล่อนไปไหนทําอะไรได้ทั้งสิ้นเพราะจิตใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเสียแล้วแค่ไม่เกินสิบห้านาทีเท่านั้นจากบ้านกับโรงพยาบาลเอกชนชั้นซูเปอร์เดอรุกซ์ที่แม่สาวเลือดผสมเยอรมันฝรั่งเศสนอนพักฟื้นอยู่ในห้องวีไอพี ทั้งชุดที่กำลังประชุมเครียดกันอยู่รวมทั้งในมพลและเอกสารทั้งหมดก็เคลื่อนย้ายเข้าไปอยู่ในห้องของมาเรียแพทย์และพยาบาลเวงกลางดึกอาจแปลกใจเล็กน้อยแต่ไม่มีใครขัดขวางหรือห้ามปรามใจยอย่างใดจากเหตุผลสองกรณีพ่ อ, ออ ก, ออกอรโรงพยาบาลเป็นเพื่อนของราชสกุลวราฤทธิ์และอีกข้อหนึ่งดารินเองก็เป็นแพทย์ผู้ทําคลอดลายนี้ด้วยมือตอนเองอยู่แล่อีกประการหนึ่งห้องพักของโรงพยาบาลห้องนั้นก็เป็นห้องชุดขนาดใหญ่กว้างขวางราวกับห้องชุดของโฮเต็งชั้นหนึ่งมากกว่าที่จะเป็นห้องคนป่วย บนเตียงนอนอยู่ในอาการสงบแต่มาเรียก็ได้รับทราบเรื่องราวโดยละเอียดทั้งหมดภายในเวลาอันไม่นานนะักเดี๋ยวนี้หล่อนรู้อะไรท่วทั่กับททุกคนรู้ตลอดเวลาจารินพูดน้อยที่สุดดวงตาของหล่อนแห้งค่ะมารียพยักหน้าขึ้นนั่งบนเตียงของหล่อนและจับมือเพื่อนสาวไว้แน่นขณะที่หล่อนซักซ้ต์โต้ตอบกับคนเหล่านั้นจนรู้ความจริงตลอดหล่อนพยักหน้าเรียกสามีให้เข้าไปใกล้พ ย, ยยันเดินเข้าไปหาอีกด้านหนึ่งแม่สาวเลือดผสม ผู้มีอดีตอันร้อนแรงแต่บัดนี้อารมณ์ทางด้านนั้นพลันเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือไม่ได้สามีเป็นตัวตนได้ยิ้มให้แก่สามีของหล่อนคิสม <Kiss me. S 1> ีหลอนบอกชายยันก้มลงจูบเบาๆที่แก้มมือหนึ่งของหล่อนอยังกำฝ่ามือดารินอีกมือหนึ่งโอบ ก, กอดคอสามีไว้จูบตอบแล้วลูปที่ศรีรษะเขาเขายิบตาให้นิดหนึ่งรู้ไหมที่รักทำไมฉันถึงรักและยอมเป็นแม่ของลูกคุณผมไม่ทรารบเพราะคุณเป็นลูกผู้ชายแท้จริงเป็นนักสู้เลือดข้นเป็นผู้รับผิดชอบ เล่เหนือกว่าอะไรทั้งสิ้นคุณมีความจริงใจต่อมิตรจัดว่าเป็นบุรุษชาติอาชานายเพื่อนแท้ซึ่งหาได้ยากยิ่งในโลกยุคปัจจุบันนี้ฉันไม่เพียงแต่รักคุณเท่านั้นยังเคารพนับถือบูชาน้ำใจของคุณด้วยชยยายันนิ่งมองหน้าเมียอย่างแสนรักเมื่อครั้งไปตามคนสาบสูญที่ชื่อนายชดประชากรหรือพี่กลางที่นั่งอยู่นั่นคุณก็ไปตามกับเขาด้วยใช่ไหมก็ใช่ใชแล้วครั้งนี้แล้วคุณจะตัดสินใจยังไงเชษฐาอนุชาและน้อยต้องช่วยผม ต้องช่วยกันฆ่าผมเสียก่อนเนอรเมื่อนั้นแหละพวกเขาถึงจะหยุดผมไม่ให้เดินทางในครั้งนี้ได้มาเรียบีบหลายสามีแน่นและน้าวคอให้ลงไปจูบอีกครั้งยิ้มอย่างสมัยที่เขาเคยเห็นหล่อนยิม้มตอนที่หลงป่าอยู่ด้วยกันสองต่อสองนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วและฉันก็อ่านใจคุณออกมานานแล้วด้วยก่อนที่ทุกคนจะมาถึงห้องฉันนี่เสียอีกกล่าวจบหล่นกระหันไปทางเทศถามอนุชาและนายแอมพลพี่ใหญ่กับน้อยแพ้คะแนนเสียงแล้วค่ะเพราะมีกันเพียงแค่สองเสียงเท่านั้นที่คัดค้านห้ามปรามชัยยันไว้ สนพี่กลางและคุณนำพลและฉันเองผู้เป็นพัญญาของเขารวมแล้วสามเสียงที่จะอนุญาตให้เขาไปชัยยันดีใจแทบกระโดดดารินพุง่งเย็บอยู่ตลอดเวลาออกมาว่าแต่ไม่มีคําว่าแต่ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นมาเรียพูดอย่างเชียบขาดพวัวร้อเบาๆออกมาอย่างนักเลงขณะที่ตบลังมือดารินหนักหน่วงชัยยันไปในครั้งนี้ไม่ได้ไปเฉพาะตัวเขาเองเท่านั้นแต่ไปแทนในนามของอดีตมาเรียฮอฟมันด้วยเสียดายที่ฉันต้องมานอนคลอดลูกอยู่อย่างนี้ถ้าตัวเปล่าเราจะร่วมทีมงานกันครบหน้าทีเดียวและฉันขอให้รับประกันว่า ระหว่างที่สามีและเพื่อนตายทุกคนไปปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเพื่อนในครั้งนี้ฉันจะเลี้ยงลูกของชัยยันให้ดีที่สุดจะสวดมวนต์ภาวนาอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าให้ทุกขณะจิตเขาอยากให้ห่วงหลังเลยสัจจะของฉันก็คือถ้าชัยยันไม่กลับมาอีกฉันก็จะดำรงชีวิตอยู่กับลูกเช่นนี้ไปจนตายโดยจะไม่แต่งงานใหม่อีกเลยเสียงของมาเรียดังกลางวานสายไปทั้งห้องอนเงียบกริบนั้นทุกคนมีความรู้สึกตื้นตันขึ้นมาจนถึงคอหอยมาเรียหันมาทางดารินน้อยเออรพินกลับมาให้ได้นะต่อสุดล่าฟ้าเขียวสักแค่ไหน ต่ให้ตามจนหลุดพราะเราไปจากโลกนี้และขอให้ทําใจดีๆเอาไว้อย่างไม่สิ้นหวังนักลองอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องไปกังวลวันไว้อยู่กับหญิงอเมริกันสองคนนั่นฉันเห็นรูปที่ชยายันเอามาให้ดูแล้วทั้งสองคนสวยมากก็จริงแต่ไม่มีความหมายหรอกสําหรับคนที่ชื่อรพินไพรวันฉันรู้จักเขาดีอาดีกว่าเธอเสียอีกเพราะฉันรู้จักเขามาก่อนที่เธอจะพบเขาผู้ชายคนนี้เป็นยอดคนจริงๆในด้านซื่อสัต์สจริตต่อผู้หญิงคนที่เขารักและตลอดเวลาชีวิตนี้ของเขาเขาจะไม่รักใครอีกแล้วนอกจาก หม่อมราชวงศ์หญิงดารินบาราลิศเท่านั้นจงเชื่อฉันและสบายใจได้ดารินแทบจะร้องไห้โฮออกมาด้วยความรู้สึกที่กล่าวไม่ถูกตลอนไม่มีน้ําตาอีกแล้วได้แต่กัดริมฝีปากแน่นมือที่ดีประสานมือมาเรียสั่นริกๆถ้างั้นเราก็เริ่มต้นวางแผนงานได้แล้วคุณชายเชษฐาเอ๋ยห้างๆก็ไดิดกงนิ้วเรียกชายยันกับดารินชายยันน้อยมานั่งนี่ส่วนเมยมก็นอนอยู่ตรงนั้นแหละเธอจะได้ยินหมดว่าเราจะหาหรือวางแผนกันยังไงดีเหมือนกันที่ย้ายมาประชุมกันที่นี่เมย์จะได้รับรู้ไว้เสียยด้ว ชายันกับดารินพระอาจาเตียงของมาเรียเขาก็ไปสมทบคุณอำพลคุณเจพอจะรู้ไม่ว่ารพินายหน้าไปทางไหนเขาจะมีแผนที่ที่พวกนั้นใช้ในการเดินทางหรือเปล่าพี่ชายใหญ่ของราชสกุลวลาลิศถามผมทราบว่ามีแผนที่ยุทธศาสตร์ทางอากาศครับแต่ไม่มีโอกาสจะเห็นหรือคัดลอกได้จะอย่างไรก็ตามผมแอบกระซิบถามคุณรพินไว้ในวันที่แกจะเริ่มออกเดินทางว่าเป้าหมายแรกจะมุ่งไปจุดใดแกอาจคิดไปไม่ถึงว่า ผมหลอกถามทิศทางไว้เป้าหมายแรกคือห้วยเสือร้องทางนั้นก็แปลว่าต่อไปต้องบุกผ่านเข้าดงดําแน่นอนครับพี่ใหญ่เพราะห้วยเสือห้วยเสือร้องเป็นตําแหน่งสุดท้ายที่มนุษย์ธรรมดาจะบุกบันไปถึงได้แบบเดียวกับลหล่อมช่างเหมือนกันแต่อยู่คนละด้านอนุชาวราริตและอดีตชดประชากรนักพเนจรกลางดงผู้ชนานาญฝ่าดงดิบในละแวกนั้นดีมาก่อนแล้วเอยขึ้นดงดําก็คงดงมรณะของดินแดนหลงสํารวจที่เราเคยผ่านกันมาแล้วเชิท้าว่ารีจาลงถึงแม้จะเร่งด่วนกันสักขนาดไหน กว่าทางไฟเราจะเตรียมตัวเสร็จและเริ่มต้นออกเดินทางก็แปลว่าคณะของระพินล่วงหน้าไปไม่น้อยกว่าสิบวันเชื่อว่าไม่เหนือบากว่าแรงนักลอกเศทศขาชายันพูดอย่างมั่ น, ใ, นใจพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่นี่เดินป่ากันในครั้งนั้นเสียจนเข้าขั้นพลานใหญ่กันแล้วทุกคนถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าระพินก็ตามคนขนาดผ่านเทือกพระศิวะได้มีชีวิตรอดกลับมาได้ประสาทปริญญาขั้นดุษฎีบัณฑิตในการเดินป่าให้ได้ทุกคนนั่นแหละโดยเฉพาะในคนนี้อดีตนายทหารปืนใหญ่ชี้ไปยังคุณชายอนุชา เขาบุกปลาฟาดงมาเสียจนท่าไม่ถึงขั้นระพินเรือ่องแงนสายก็ฉีดเฉียดเข้าไปแล้วพลานใหญ่ที่จะนำทางเราไม่ต้องไปต้องวนหาที่ไหนในชดประชากรนั่งอยู่นี่เองว่ายังไงพลานชดไหวไหมอดีตชดประชากรผู้เป็นต้นเหตุให้ทั้งคณะต้องบุกเพืิดพักศิวะมาแล้วยิ้มแค่นแค้นตามปกติก็ไม่ไหวหรอกเข็ตแล้วแต่ถ้าจําเป็นก็ต้องไหวพี่ใหญ่ก็ดีน้อยก็ดีตัวตัวเองก็ดีล้วนคล่องตัวแล้วทั้งนั้นในการเรื่องบุกปลาฟาดงไม่มีการ อะไรน่าหนักใจเลยความหวังของเราก็คือรพินไม่ได้เจริญเปิดเปิงไปคนเดียวแต่ต้องนําคณะอเมริกันพวกนั้นพร้อมทั้งลูกหาไปด้วยซึ่งจะต้องล่าช้าเสียเวลากันบ้างเราน่าจะตามทันและแกะอรอยไปได้ทุกระยะยิ่งถ้ารู้ว่าบ่ายหน้าไปทางไหนเป็นจุดแรกก็ยิ่งสะดวกขึ้นผมหลับตาเห็นภูมิประเทศแผลบนั้นตลอดตั้งแต่หนองน้งําแห้งจนถึงห้วยเสือร้องเพราะเคยตุลาตุเรไปจนปลุกอาจต้องงมกันหน่อยเมื่อเข้าเขตดงดําแล้วแต่ถึงอย่างไรพวกนั้นก็จะต้องทิ้งร่องรอยไว้ให้แกะได้ อดีตท่านทูตฐานบกมองจับนิ่งมายัางน้องชายคนกลางอย่างพินิษฐ์และเปลี่ยนไปยังทุกใบหน้าของผู้ที่ร่วมวงกันอยู่ในขณะ น, นี้กล่าวขึ้นอย่างรวมรวมหวังว่าพวกเราทุกคนคงรับรู้กันแล้วว่าการออกเดินทางติดตามแกะอรอยเดลพินในครั้งนี้เราไม่มีพราง ห, หรือมักคุเทศจำทางอีกแล้วเราจะต้องเสี่ยงงมกันไปเองโดยใช้ความรู้ความสามารถของเราเองที่เคยผ่านมาก่อนเป็นสิ่งนําทางและในบรรดาพวกเราทั้งสีคนที่นั่งประชุมกันอยู่นี่กลางเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะสูงสุด อนุชาวารารีตืออดีตชดประชากรถอนใจลึกถ้าทุกคนเชื่อมั่นไว้วางใจผมผมก็ขอรับหน้าที่เป็นมัคุเทศครั้งนี้เองแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะักเพราะพี่ใหญ่เองก็ดีชา ย, ยันก็ดีลือน้อยก็ดีร่วนแล้วแต่เป็นนักเดินป่าเยี่ยมยอดมาแล้วทั้งสิน้นเราจะร่วมปรึกษาหารือกันไปทุกระยะไม่ใช่ว่าจะต้องให้ผมตัดสินใจชี้ขาดเพียงคนเดียวเป็นอันแกยอมรับแกเป็นพรานนำทางนะชา ย, ยันย้ํามาแน่นอนเพราะฉะนั้นเชษฐาแกเป็นหัวหน้าตามเดิม อดีตนายทหารปืนใหญ่ชี้มือมาที่คุณชายใหญ่พลเหตผมเห็นด้วยครับและจะไม่ได้รับอนุญาตให้ร่วมเดินทางไปด้วยในครั้งนี้แอมพนก็แสดงความเห็นของตนเองสนับสนุนออกมาอย่างหนักแน่นน้อยไม่พูดอะไรเลยเอาแต่นั่งซึมทำไมไม่ช่วยกันออกความคิดมั่งพี่ชายใหญ่ของตระกูลเ อ, อื้อมมือมาตบที่ข่าน้องสาวเลยเมื่อ น, นั้นหล่อนจึงมีอาการเหมือนเพิ่งตื่นจากผวังคิดคุณอัมพนครับผมคุณหญิงนับตั้งแต่เราจากกันครั้งสุดท้ายที่สถานีกักสัตว์ของคุณภายหลังจากที่ตามพี่กลางกลับมาได้แล้ว คุณได้พบเห็นนานอินบ้างไหมได้ข่าวหรือเปล่าว่าตอนนี้แกอยู่ไหนพอจะตามตัวได้หรือไม่คําพูดของหม่อมราชวงศ์สาวคนสวยทําให้ทุกคนสะดุดคิดและสนใจยิ่งอัมพลก็ดูเหมือนจะนึกขึ้นมาได้กระดกเล่นออกอมาแตะริมฝีปากเออจริงสิครับผมเองก็ลืมนานอินไปเสียอย่างสนิทนอกจากคุณรพินและแง่ทรายแล้วพลานใหญ่ผู้ยิ่งยองอีกคนหนึ่งที่จะนําทางในครั้งนี้ได้ก็มีอยู่อีกเพียงคนเดียวเท่านั้นคือนานอินแต่นับตั้งแต่พวกของคุณหญิงเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วนานอินก็บุก ป, ป่าฝ่าดงไปตามภาษาของแกผมไดด้้้้้ข่่่าาาาววแแแแกเเเคคคยยยผนนนนะีีมมุณรพิทหองํัื2ล อยูที่นั่นสองคืนหลังจากนั้นแกก็หายเข้าป่าไปอีกไม่ปรากฏข่าวอีกเลยไม่ทราบตอนนี้อยู่ขุนเขาลําพลลำนาวพลายแห่งไหนแปลว่าไม่มีทางจะตามตัวได้พบดารินพูดอย่างสิ้นหวังคงยากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะตามกันให้ได้ในเร็ววันยกเว้นแต่จะรอฟังข่าวว่าแกจะเฉียดผ่านมาอีกเมื่ อ, อไรซึ่งเอาแน่ไม่ได้ตามหาหนานอินตามตัวได้ยากกว่าผีต้องเหลืองซะอีกและก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นที่อาจตามแกได้พบคือคุณรพินนั่นแหละพรารู้ว่านิสยัยรู้ทิศทางกันดีอยู่แต่ตอนนี้ เราเองก็กําลังหาตัวคุณระพิน์อยู่ราชสกุลสาวหลีตาลงนิ่งไปอีกเชษฐาก็บอกว่าถ้าเราได้ตัวนันอินมาร่วมด้วยในครั้งนี้จะวิเศษสุดแต่น้อยอย่าไปหวังอะไรเลยเพราะเราไม่รู้จะไปตามตัวแกได้ที่ไหนอย่างปัจจุบันทันด่วนแบบนี้มันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องว่ากันเองลูกจิตถ่ายทอดสารพัดวิชาในการเดินตาและบุกปั่นคู่ขี้ไปกับนานอินจนเกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งเสียด้วยกันก็นั่งอยู่ตรงหน้าเรานี่แล้ว พี่ชายใหญ่บุ้ยปากไปทางน้องชายกลางนานอินกับนายชดก็เหมือนเหมือนกับประพินกับแงสายนั่นแหละมีคนใดคนหนึ่งในระหว่างคนสองคู่นี้มันก็ย่อมจะแทนตัวกันได้อยู่แล้วใช่ไหมประโยคหลังก็หันไปถามอนุชาผมไม่คิดว่าผมจะยิ่งใหญ่เท่านานอินประพินหรือแงสายแต่เมื่อไม่มีทางเลือกผมก็ต้องรับเป็นพรานนาทางเองสําหรับนานอินนั้นถ้าบังเอิญได้ตัวมาผมก็จะปลอดโปร่งใจกว่านี้มากแต่มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เราไม่ควรจะลืมใครเสียอีกคนหนึ่งแต่รู้สึกว่ามันจะยากเหมือนกันเพราะจะให้ไปตามหรือก็คงจะเสียเวลาไม่ทันการจะเดินผ่านไปรับหรือมันก็คนละเส้นทางกันเสียด้วยชัยยันเอ่ยขึ้นและพัยาของเขาที่นอนฟังอยู่บนเตียงก็ร้องบอกมาว่าอ๋อขยินเจ้านักเลงโตจากลมช้างนั่นภาพของขยินผุดขึ้นในสมองของทุกคนท่านขึ้นทุกคนทันทีไม่มีทางขึ้นมัวไปตามขยินซึ่งถึงแม้เราจะรู้แน่นอนว่ามันอยู่ลมช้างเราก็จะยิ่งเสียเวลาเพิ่มขึ้นไปทุกที ระยะทางจากนองน้าแห้งไปหล่มช้างไกลเสียก่อนไปห้วยเสือร้องเสอีกและขืนปล่อยเวลาให้เนิร์นานไปร่องรอยของลาพินกับพวกนั้นที่ล่วงไปก่อนแล้วก็จะยิ่งค้นหาลําบากขึ้นขอให้เราตัดปัญหาเรื่องนั้นอินกับขยินออกไปเสียเถอะให้มันรู้ไปว่าลำพังพวกเราสีคนไม่สามารถจะตามละพินได้อนุชาว่ากันก็เห็นด้วยกับกลางปวยการที่เราจะไปมัวค้นหาตัวนานอินกับขยินให้เสียจริงอยู่สองคนนั่นแหละตัวที่สุดในภาวะเช่นนี้แต่เราก็ไม่สามารถจะรอช้าได้เลย การไปตามตัวกลางในครั้งนั้นเราออกทางหล่อมช้างเพราะกลางก็ออกล่วงหน้าไปทางด้านนั้นแต่การไปตามตัวระพินคราวนี้เราต้องออกทางห้วยเสือร้องตามเส้นทางเดินของเขาฉันเชื่อความสามารถของกลางว่าจะสาวรอยติดตามไปได้เรื่อยๆแต่ไม่เชื่อว่าจะใช้วิธีดักหน้าหรือก้าวสกัดได้ถ้าระพินเป็นฝ่ายตามเราก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะเขาชํานาญกว่าเรามากักในเรื่องนี้ไม่มีใครมีความเห็นเป็นอย่างอื่นแตกแยกไปจากคาพูดของหมอมราชวงศ์เทศทา ถ้าทุกคนเห็นด้วยตามที่ชั้นว่า น, นี่เราก็เอากันอย่างนี้อดีตท่านทูตทหารบกสรุปโดยเร็วด้านเราสี่คนนี่จะใช้เวลาพรุ่งนี้ทั้งวันเตรียมตัวให้พร้อมและอย่างช้าในวันบือร์นจะถึงสถานีกักศัตร์ของคุณอัมพลส่วนคุณอัมพลต่อไปนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะขอความร่วมมือจากคุณะ่ะครับผมคุณชายใหญ่ผมพร้อมเสมอประเดี๋ยวตกลงกันเส็จคุณรีบเดินทางจากกรุงเทพกลับสถานที่ของคุณเลยนอนไปในรถก็ได้เพราะคุณมีคนขับมาด้วยไปถึงที่นั่นตอนชสายๆพรุ่งนี้พอถึงให้คุณจ่าเตรียมพวกลลูกหหมาารรรอเรรอเเว้้ใพย เราไม่ต้องการคนจากที่อื่นแต่ต้องการคนในหนองน้ําแห้งที่เป็นบ้านของคุณละพินนั่นแหละคงไม่ต้องบอกว่าคุณจะต้องคัดเอาคนที่มีสมรรถภาพขนาดไหนครับผมทราบจํานวนสิบคนเท่ากับที่ละพินเอาไปจำพาระฝ่ายเราจะมีจํานวนไม่มากนะเพราะไม่มีของฟุ่มเฟือยเกะกะอะไรทั้งสิ้นนอกจากนอกจากเครื่องยังชีพจําเป็นอย่างเดียวเท่านั้นกลับเครื่องกระสุนและอาวุธเราต้องการเดินให้เร็วที่สุดเพื่อปวดตามเขาให้ทันและเริ่มนี้ขอร้องจากคุณอภินพลให้เก็บรักษาไว้เป็นความลับที่สุด อย่าให้ทางฝ่ายสื่อประชาการรับของเราเองทราบเป็นอั้นค่ะว่ามีคนอีกคณะตามหลังรับพินไปก็หมายถึงท่านในพลโทวิชัยนั่นแหละคุณรับปากได้ไหมอเพอาะเอวัวเป็นประกันครับแนมพลรับปากหนักแน่นมีปัญหาอะไรอีกไหมถ้าไม่มีเราก็จะเปิดเราก็จะปิดประชุมและคุณออกเดินทางกลับได้เลยไปเตรียมอะไรจะ อ, อะไรไว้ให้พร้อมตามสั่งพอไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วครับเพียงแต่ว่าเรื่องพี่นายการรมของคุณรับพินอ๋อเรื่องนั้นเอวงนี้ก็ปี้นึงเก็บไว้ที่คุณตามเดิม มันอย่างเช่นที่เจ้าตัวเข้าประสงค์ส่วนก็อปปี้ที่ส่งมาให้ผมเก็บนั้นผมจะฝากเก็บไว้ในเซฟธนาคารภายใต้การดูแลรับรู้ของผู้จัดการผลประโยชน์ของผมทางฝ่ายผมก็ต้องทำพิธีกรรมเหมือนกันเพราะไปทั้หมดทั้งสาคนพี่น้องไอ้นี่มันเป็นด้านผมเองคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะครับผมและเรื่องสัมภาระเข้าของทางคุณชายใหญ่จะให้ผมจัดการให้หรือจะจัดไปจากทางนี้อาวุธเครื่องกระสุนของใช้ส่วนตัวของพวกเราจะเตรียมไปทางทางด้านนี้เลยแต่สเสบียงและอุปกรณ์อื่นๆคุณจัดเตรียมไว้ให้ด้วย เราจะคัดเลือกกันอีกทีหนึ่งว่าจะมีอะไรบ้างและน้ําหนักสักเท่าไรเอกสารนั้นเป็นหลักฐานทั้งหมดที่คุณออกมาด้วยในแฟมนี้ขอเราไว้ด้วยคุณเอากลับคืนไปเฉพาะสําเนาพินัยกรรมฉบับที่รับพินให้คุณจดถือไว้ก็แล้วกันถ้าเช่นนั้นแหนมพลยืนขึ้นภายหลังจากเอาซองพินัยกรรมฉบับหนึ่งใส่ลงในกระเป๋าเอกสารส่วนตัวผมคิดว่าผมควรจะเดินทางกลับเดี๋ยวนี้เลยไปเช้าเอาที่นู่นแล้วเริ่มลงมือดีมากรีบไปเธอคุณแหนมพลอ๋อยวลูกหาบสิบคนที่เราเอาไปด้วยนั้นขอให้เป็น คุณเป็นฝ่ายจัดหาปืนและกระสุนผมต้องการให้ทุกคนใช้ลูกซองขนาดหนึ่งสองแบบครึ่ง อ, อัตโนมัติทั้งหมดคุณจัดหาให้ด้วยทั้งติดกระบอกกระสุนกระบอกละห้าสิบนัดทั้งแบบยิงสัตว์ปีกและสัตว์สีท้าก็แล้วก็เยสท้าบลาลิตลุกขึ้นยืนจูงมือแนำพลพระหางกลุ่มเอามาได้หนึ่งกระสุนกระสุนของเอ็มเจ็ดสิบเก้าทางด้านนู้นคุณพอจะหาได้บ้างไหมผมไม่แน่ใจว่าผมจะหาได้ทันต้องการสักเท่าไหร่ครับก็ไม่มากหรอกสักสามสิบนัดก็พอ เอาชนิดสเก็ตระเบิดสังหารอย่างเดียวก็ได้ครับผมพอหาได่อาวุธสงครามทุกชนิดผมคิดว่าคุณชายไม่ควรจะเอาไปจากกรุงเทพให้เสียเวลาแปเอจากผมที่นู่นดีกว่ายกเว้นพวกไรเฟิลล่าสัตว์ประจํามือของแต่ละคนเชิดทายยิงบีบแขนคนเก่าแก่ของเคาแน่นแล้วพยักหน้าไปได้แล้วคุณอำพลโชคดีนายอำพลหันมาบอกลาทุกคนแลกรวบออกจากห้องนั้นไปในทันทีรับรางของพ อ, อ, อ ก, กอรบริษัทไทยไวท์ไลฟ์เชิทาก็เดินเข้ามาส ก, กิดน้องชายและน้องสาว ทางหันไปพูดกับชัยยันว่าเราจะกลับกันก่อนนะชัยยันแกไม่ต้องไปด้วยหรอกสําหรับคืนนี้มีความเห็นว่าควรจะนอนอยู่กับลูกเมียที่โรงพยาบาลนี่ทุกอย่างไม่ต้องกังวลจะจัดเตรียมไว้ให้เองขอให้แกมีเวลาอยู่กับเมียและลูกให้มากที่สุดหลักการอื่นๆเราก็ตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วชัยยันก็ว่าง่ายดีเหมือนกันพยักหน้าตกลงฉันจะอยู่กับเมียที่นี่คืนนี้พวกแกกลับไปพักผ่อนได้แล้วพรุ่งนี้พบกันอีกครั้งยายถาอนุชาและดาเรนเดินเข้ามาล้อมที่เตียงมาเรียอีกครั้งบอกลา ดารินก้มลงโอบกอดแม่เพื่อนสาวต่างผิวและจูบที่แก้มขอให้เธอหลับอย่างเป็นสุขและอย่ากังวลอะไรทั้งสิน้นรักลูกให้มากๆลูกเธอก็เหมือนลูกฉันเหมือนกันครูสไนท์มาเรียบีบมือดารินแน่นยิ้มให้วินาที่สุดท้ายก่อนที่ทุกคนจะออกเดินทางจากกรุงเทพขอให้มาเยี่ยมฉันโดยพร้อมหน้าอีกครั้งได้ไหมแน่นอนเราจะมาบอกลาเธอก่อนไปแค่นุชากล่าวขึ้นกับจะเป็นเสียงเดียวกันและสามพี่น้องราชคุลเวลาดกษ์พระจากโรงพยาบาล กลับบ้านตามลําพังโดยปล่อยชายยันไว้กับพัญญาก่ อ, อนแยกกันขึ้นห้องนอนสามพี่น้องยืนประจันหน้ากันที่ห้องรับแขกอีกครั้งพอเวลาสักสานาทีทักทับพี่ใหญ่น้อยนุชาพูดขึ้นที่หน้าของน้องชายคนกลางแห่งสกุลเครียดขึมว่ามาในกลางแค่ถามพยักหน้าและจูงมือน้องทั้งสองไปนั่งที่เก้าอี้ชุดเดิมผมแน่ใจครับพี่ใหญ่ว่าผมจะต้องตามระพินกับพวกนั้นพบไม่เดี๋ยวก็ช้าไม่ระหว่างทางก็ อ, อาจปลายทางที่ใดที่หนึ่ง เราก็ภาวนาไว้อย่างนั้นแล้วอย่างไงแกยังพูดไม่จบข้อความไม่ใช่หรื อ, อนุชา ย, ยิ้มเตรียมๆถ้าพบความจะทันยังไงครับจุดประสงค์ของเราก็คือเอาตัวเขากลับมาให้ได้ที่เราพูดกับเองระหว่างพี่น้องเราสามคนเหตุการณ์มันอาจเกิดขึ้นได้ในแบบต่างๆซึ่งเราจะต้องเตรียมแผนไว้ล่วงหน้าด้วยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าขณะนี้โดยหน้าฉากเระพินเป็นมัคุเทศนําทางของฝ่ายนั้นแต่หลังฉากลึกลงไปถ้ า, าถูกควบคุมหรือบีบบังคับให้ต้องตกอยู่ภายใต้อํานาจวงการก็ได้ อีกประการหนึ่งการที่ฝ่ายเราตามหลังไปมีหวังมากทีเดียวในเรื่องการประทะพี่ก็คิดอยู่ในข้อ น, นั้นเหมือนกันเชตดากล่าวอย่างใคร่ครวญหรือเอาละเรามาวางแผนล่วงหน้ากันได้ในสามขั้นตอนคือหนึ่งถ้าตามพบระวังทางและอเมริกันพวกนั้นแสดงความเป็นมิตรที่พอจะไว้วางใจได้เราจะร่วมเดินทางไปด้วยเพื่อเป็นหน่วยคุ้มกันระพินกับคนของเขาทั้งสองต่อคนของเขาทั้งหมดสองถ้าอเมริกันพวกนั้นเห็นว่าเราเป็นศัตรูหรือมีพิรุษน่าสงสัยว่าจะเกิดอันตรายแก่ระพินหรือทางฝ่ายเราก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเก็บให้เกลียง แล้วลากตัวรพินกลับสามในกรณีที่ร่วมทางกันไปได้โดยเรามีโดยมีเราคุมหลังไปอีกละลอกหนึ่งและระพินสามารถนําไปจนถึงจุดหมายปลายทางสามารถช่วยให้พวกนั้นกู้ระเบิดได้สําเร็จเรามีหน้าที่ระวังไม่ให้พวกนั้นหักหลังระพินได้พวกนั้นมีกันเพียงสี่คนเท่านั้นต่อให้มีวิทยุติด ต, ต่อสามารถเรียกกําลังสนับสนุสนทางอากาศได้ก็าตามเราก็เชื่อว่าเราได้เปรียบกว่าสิบตอนหนึ่งสำหรับภูมิประเทศอันเป็นป่าดงดิบดำล้งสมรวจที่พวกเราเคยผ่านกันมาแล้ว ตกลงเอางั้นนะครับเอางั้นหรือว่ายังไงน้อยพี่ชายใหญ่หันไปถามถ้าสามารถหลีกเลี่ยงการฆ่าฟันกันได้และเอาตัวระพินกลับมาได้โดยปลอดภัยก็จะเป็นสิ่งที่น้อยต้องการที่สุดค่ะแต่น้อยกลัวจริงๆเราจะตามไม่ทันไม่พบไม่ใช่น้อยไม่เชื่อฝีมือพี่กลางแต่เราทุกคนรู้ดีกันอยู่แล้วว่าป่าลุ่มสารวินตอนเหนือขึ้นไปมันเป็นแดนสนธยาแดนที่ไม่ปรากฏในภูมิศาสากลทิศทางที่ระพินนําพวกเรานั้นบ่ายหน้าไปก็ดูเหมือนจะเป็นเส้นทางเดียวกับหุ่งเทือกภาคีวะนั่นเอง คนที่จะผ่านบริเวณอาถรรพ์นี้ไปได้ไม่ใช่เดินป่ากเก่งอย่างเดียวจะต้องเรยียอพร้อมไปด้วยอาคมสายเวทด้วยก็ต้องลองกันดูอย่างน้อยพวกเราทุกคนก็ผ่านกันมาแล้วและก่อนออกเดินทางแท้จริงเราทุกคนจะบวงสรวงขออำนาจอิทธิฤทธิ์ของมหาฤาษีโกทันญะช่วยเราด้วยเทถาบอกอย่างปลอบใจแล้วตัดบทมาว่าไปพักผ่อนกันเถอะพรุ่งนี้จะได้จัเตรียมตัวกันแต่เช้าเราอย่างช้าที่สุดมรืนนี้เราต้องถึงสถานีกักศัตร์ของคุณอัมพลถ้าพร้อมหมดทุกอย่างก็อาจเดินทางจากที่นี่กันกลางดึกเลยไปช้าเอาที่โ น, น่น พี่ชายสองน้องสาวเล็กอีกหนึ่งแยกจากกันเอกสารที่ได้รับจากนอัมพลทั้งหมดพี่ชายใหญ่เป็นคนเก็บไว้เฉพาะรูปถ่ายของแม่มสาวสองคนเท่านั้นที่ดารินขอเยถาไม่อยากขัดใจจนยืน่นทั้งสองส่งให้สังเกตทีหน้าคลั่งหมอเพรสุดจะสมเพศขณะที่น้องสาวเล็ก้าวขึ้นไันได้ไปอย่างเสื่องซึมสองพี่ชายยืนมองกันอยู่ยเงียบๆแล้วหล่อนก็ไปหยุดอยู่ที่ขั้นพักอันกลับมาพูดแผ่วเบาะวะ่าน้อยขอขอบคุณพี่ใหญ่พี่กลางชายยันและเมยค่ะ ความเดือดเนื้อร้อนใจไม่น้อยไปกับตัวของน้อยเองสําหรับเหตุการณ์ครั้งนี้เทถาเพียงแตยิ้มอย่างเอ็นดูส่วนอนุชาขามวดคิ้วโบกมือพูดท่นวนๆมาว่าไปเธอไปนอนไม่มีใครเข้าใจดํากับน้องเขาได้ถึงเพียงนั้นหรอกไม่เห็นกับน้องเคยก็ต้องเห็นกับน้องสาวอยู่วันยังค่ำผู้ชายทั้งโลกไม่ให้เลือกไม่เอาดัานถาไปเอาพรานใครเก่งคลึงคนนั้นเวรกรรมจริงๆพับถะคราวนี้ถ้าตามไม่พบก็แล้วไปแต่ถ้าพบฉันต้องเตะไอ ห, หมอนั่นถ้าที่เอาน้องสาวฉันไปกอดเชื่ทั้งคืนในบ้านทาสานหลังนั้นเห้ เงจะมาสารภาพเอาในคืนนี้เองวัดโธดาวเรนวราฤท น, น้าม้อยหมุนตัวกับเดินขึ้นบันไดต่อไปเงียบๆเจริญไม่ต่อล้อต่อเทียงใดๆกับพี่ชายกลางซึ่งตามปกติแล้วเปรียบเหมือนขมิ้นกับปูนอยู่ตลอดเวลาแต่สําหรับคืนนี้เดี๋ยวนี้หล่อนสงบ ป, ปากคายอมจํานวนหมดทุกกรณีความจริงหล่อนจำหนักมานานแล้วสาหรับพี่ชายกลางของหล่อนเป็นคนผงผางตึงตังเช่นนั้นเองปากร้ายแต่ใจดีและมีจิตใจที่เรียกกันว่านักเลงเสียยิ่งกว่าพี่ใหญ่ซึ่งสภาพบุดเกินไปซะอีก หลอนรักพี่ชายกลางเล่นเล่นหัวกันได้เหมือนเพื่อนแต่รักและเคารพยำเกรงพี่ใหญ่เหมือนพ่อเข้าห้องนอนล็อกประตูสนิทขึ้นเตียงปิดไฟช่อกลางเพดานเปิดเฉพาะไฟอ่านหนังสือที่หัวเตียงแล้วดารินก็เอาภาพของแหมมสาวทั้งสองขึ้นมาพิจารณาทีทวนอีกครั้งหลอนไม่สนใจอิสเบลมามูเลยแต่มาเพ่งพิจเฉพาะคริสติน่ากรูบินยิ่งพิจก็ยิ่งบอกกับตัวเองว่าอเมริกันสาวผู้นี้งามอย่างลึกซึ้งและเฉียบขาดจนจิตใจของหลอนสั่นไหวไปหมด ป๋าเคยบอกกับใครต่อใครเมื่อไม่นานนี้นักว่ากันไม่แคร์ผู้หญิงคนไหนเลยสำหรับพระพินใครวันแต่ยามนี้เมื่ออยู่ตามลำพังคนเดียวพร้อมทั้งความคิดคำเดิมก่อนพลันพึงวันระแวงไปหมดฉันจะเสี่ยงชีวิตไปตามเธอได้ความรักแต่เดี๋ยวนี้เธอยังรักฉันมั่นคงต่อฉันอยู่หรือเปล่านะระพิน์ดารีนลำพึงหลับตาแดงช้ำลงมือทั้งสองประสานกันไว้บนทรวงอกเหมือนจะภาวนา